จเจริญพรทุกๆท่านหรวงพ่อไม่ได้เข้ามาที่นี่เกือบสี่สิบปีแล้วได้แต่เรียนจบเป็นรัชศาสตร์วิทยาตรีวิทยาโทจบแล้วก็ไปทำงานเขาชุมนุมสิษ์เก่าเขาไม่ได้มาชุมนุมหรอกชี้เกียจินเล้า ดูจุฬาก็เปลี่ยนไปเยอ ะ, ะอะยู่เป็นเครื่องแบบยังเหมือนเดิมหลวงพ่อ hmm. ก็ตระเวนไปเทศทังในเมืองไทยเมืองนอกนะ mm hmm. หลังๆเนี้ยพบปรับเปลี่ยนแปลงความเปลี่ยนแปลงมีมากแต่ก่อนนี้เราเข้าวัดกันนะเข้าไปนั่งสมาธิอย่างมากก็ไปนั่งสมาธิ ทำกับสงบแล้วงคิดว่าศาสนาพุทธมันมีแค่นั้นแต่ก็ยังดีกว่าคนจำนวนมากนะไม่ได้สนใจเลยพวกที่สนใจก็เอาแต่นั่งสมาธิยุคถัดมา ก, ก็ไม่ไม่ค่อยนั่งสมาธิแลก็ไปเจริญสติกัน ยุคหนึ่งก็ลงกับสมาธินะยุคหนึ่งปฏิเสธสมาธิสุดโต่งไปคนละครังพระพุทธเจ้าสอนหลักของการปฏิบัติให้เรานะมันมีเรื่องศีลเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาเป็นวิธีการที่เราจะพัฒนาจิตใจของเราพัฒนาไปเพื่ออะไรนะพัฒนาไปสู่จุดสูงสุดเลยก็คือความดับสนิทของทุก์ ถ้าใจเราพัฒนาได้เต็มที่นะเราจะเหลือจากความทุกข์ทางร่างกายในจิตใจจะไม่มีความทุกข์อีกต่อไปละวในจุดสูงสุดของพระพุท ธ, ธาศาสนาะคือไม่ทุกข์ทุกข์ก็มีอยู่ได้ก็เฉพาะที่ร่างกายนะพระพุทธเจ้าแก่ได้ไหมแก่ได้เจ็บได้ไหมได้ตายได้ไหมได้พระอรหันต์ก็ยังแก่ยังเจ็บยังตายนะทางร่างกาย แต่ จ, จิตของท่านไม่ทุกข์แล้วไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะท่านไม่ทุกข์นี่ท่านก็สอนหลักการปฏิบัติไปให้ถ้าเราเข้าใจสิ่งที่ท่านสอนนะเราจะสามารถพัฒนาใจของเรานะให้พ้นจากความทุกข์ได้ในเวลาที่ไม่นานต้องไม่นานนะไม่ใช่ทําไปเรื่อยๆเถอะแล้วชานูน้นเราก็จะพ้นทุกข์ไปมนนานเกิน ธรรมะของพระพุทธเจ้านะท่านบอกว่าเป็นธรรมะของมหาบุรุษคือมนุษย์ผู้ยิ่งใหญ่คุณสมบัติประการหนึ่งเลยก็คือไม่เนินช้าต้องเร็วเราสามารถเปลี่ยนจิตใจของเรานะจากเคยทุกข์มากให้เหลือทุกข์น้อยทุกข์นานๆก็เหลือทุกข์สั้นๆอันนี้ใช้เวลาไม่นานในการฝึก แต่จะฝึกจนกระทั่งความทุกข์เข้ามายอมใจไม่ได้อันนี้ใช้เวลาเยอะหน่อยต้องภาพเปลี่ยนมากหน่อยงั้นสิ่งที่พวกเราควรจะศึกษากันก็คือวิธีการวิธีการว่าทํำยังไงเราจะสามารถปลดเปรื่องความทุกข์ออกจากใจได้ถึงไม่หมดสนิทร้อยเอร์เซนให้มันลดลงก็ยังดีมันเรื่องอะไรเราต้องมีชีวิต ที่จมอยู่กับความทุกข์นี่รันดอนถ้าเราดูให้ดีนะถ้าอยู่มานานๆอย่างหลวงพ่อนะ่ะแก่แล้ว mm hmm. ก็เห็นอย่างเป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นนักศึกษานะฝ่ฝันดิ้นรนกันเรียน mm hmm. จบไปทํางานนะแย่งกันแย่งกันใหญ่ยิ่งรัฐศาสตร์เนี่ยแย่งกันใหญ่แย่งกันเป็นผู้ว่าแย่งกันเป็นอธิบดีแย่งกันเป็นปลัดกระทรวง ก็แย่งกันอุตลุษเลยแยกค่ายแยกพวกแยกคณะแยกมหาวิลัลเพื่อจะจับกลุ่มกันสู้กันสุดท้ายพอกเกษียณ น, นะไม่มีใครเข้าสนใจอย่างนักการเมืองนะรัฐมนตรียิ่งใหญ่ต่อสู้แย่งชิงตำแหน่งกันนะรักษาเก้าอี้กันสุดชีวิตจิตใจ สุดท้ายก็ว่างเปล่าหรือบางคนหาเงินไม่เยอะแยะเลยอยากรวยคิดว่ารวยแล้วจะมีความสุขมีเงินมากมายมหาศาลนะ่ะไม่เห็นมันมีความสุขเนียกคนในโลกน้ำมังทีมันดูแล้วก็ น, น่าสงสารต่อสู้แย่งชิงกันสุดท้ายทุกอย่างก็ว่างเปล่าไม่เหมือนคนซึ่งเราได้ยินได้ฟังธรรมะของพระพุทธเจ้านะ เราสามารถยกระดับจิตใจของเราขึ้นไปยิ่งแก่นะยิ่งฝึกมานานยนะยิ่งแก่ยิ่งเบิกบานแจ่มใสคนในโล ก, กแก่แล้วเฉาเฉาเกี่ยวเฉาเศร้าใจลูกหลานทอดทิ้งอะไรนี่ถ้็เราภาวนานนะไม่มีคำว่าเหงาเลยคำว่าเหงาเนี่ยไม่อยู่ในสาระบบเลยคำว่าเศร้าใจเสียใจไม่อยู่ในสาระบบเลยใจเรามันอิ่มใจเรามันเต็ม เดี๋ยวเรามาเติมใจของเราให้เต็มด้วยธรรมะนะด้วยศีลด้วยธรรมเพราะพระเจ้าท่านบอกว่าโลกนี้มันทุกข์โลกนี้เอาเป็นที่พึ่งที่อาศัยไม่ได้ฟังแล้วเหมือนมองโลกแง่ร้ายถ้าเรามองให้กว้างมองให้ไกลมองให้ยาวก็เห็นนะทุกอย่างมันว่างเปล่าไปหมดเคยมีแล้วมันก็ไม่มีเคยได้แล้วมันก็เสีย ถ้ามองแค่นี้นะว่าพระพุทธเจ้าบอกโลกเป็นทุกข์มันก็เหมือนพระพุทธเจ้ามองโลกแงร่ร้าท่านไม่ได้มองโลกแง่ไร้เพราะท่านสอนวิธีให้เราพ้นจากความทุกข์ได้ด้วยลําพังท่านสอนบอกว่าโลกนี้เป็นทุกข์อย่างนี้มองโลกแงร่ร้าแต่ท่านสามารถบอกวิธีที่เราจะพ้นจากความทุกข์ของของโลกนี้ได้ด้วยท่านมาตรัสรู้เนี่ยไม่ใช่มาทํำอะไร อุษาตรสรู้มานะก็ เ, เพื่อจะมาบอกวิธีการให้เรายกระดับใจของเราออกจากความทุกข์ให้ได้ท่านถึงบอกว่าตัวท่านเองนะเป็นแค่ผู้บอกทางทางอะไรทางเพื่อความพ้นทุกข์นั่นแหละท่านทำหน้าที่ของท่านแล้วนะท่านบอกทางแล้วหน้าที่ของพวกเราคือเรียนให้ดีว่าท่านบอกว่าอย่างไง ธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยนึกเอาเองไม่ได้นะไม่ใช่ภูมิปัญญาระดับเราจะคิดเอาเองได้ธรรมะนี้เป็นปัญญาตรัสรู้แล้วพอเราภาวนาไปถึงชุดหนึ่งเราจะรู้เลยมันอัศจรรย์จริงจริงอัศจรรย์เหเกินเลยธรรมะเมื่อไรที่เรารู้แจ้งแทงตลอดในอริยสัจนะมันอัศจรรย์นะความทุกข์มันก็เด็นหายไปต่อหน้าต่อตาเลย อย่างเราเคยหนีความทุกข์นะลดความทุกข์ดับความทุกข์ได้เป็นกล่าวๆย่างกลุ่มใจก็ไปกินเหล้าไปเที่ยวไปทำอะไรตอบสนองความต้องการไปเรื่อยๆก็สบายใจไม่ทุกข์อีกพวกหนึ่งไปนั่งสมาธิกลมใจขึ้นมาก็ไปนั่งสมาธิจิตสงบก็ไม่ทุกข์ออกจากสมาธิมก็กปับมาตัวอีกมันมีแต่วิธีของพระพุทธเจ้านี่แหละถ้าเรายกระดับใจของเราได้แล้วนะ เราไม่ต้องรักษาใจอีกต่อไปนะงานในการปฏิบัติธรรมเนี่ยเป็นงานที่มีที่สิ้นสุดไม่เหมือนงานทางโลกงานทางโลกเป็นงานที่ไม่มีวันจบมันสิ้นเลยอย่างเราไปทํามาหากินได้เงินมานะล้วก็มากินมาใช้ไปก็ต้องไปทามาหากินอีกหรือเราไปหุงข้าวกินวันนี้หุงข้าวกินพนระุ่ง น, นี้ก็ต้องหุงกินอีกนะงานทางโลกเนี่ยไม่มีวันจบเลย แต่งานยกระดับใจของเรานะถ้าเราทำสาเร็จแล้วเนี่ยมันจบจบไม่มีงานต้องทำอีกแล้วใจเราเข้าถึงสภาวะที่ไม่ทุกอีกต่อไปเี่ความอัศจรรย์ของธรรมะนะมันมีจริงจมันเป็นสิ่งที่เราคิดไม่ถึงคาดไม่ถึงเลยเดาไม่ออกเลยคนในโลกเนี่ยรู้จากความทุกข์นะทุกข์ทุกข์แล้วทุกข์มากๆไปฆ่าตัวตายทุกข์จนตาย ภาวนาถึงจุดหนึ่งนะมันมีความสุขแทบตายเลยแทบตายเหมือนกันนะมันมีความสุขที่มหาศาลเลยแต่ว่าพอใจมันคุ้นเคยนะใจก็อยู่กับความสุขความสงบนะมีความสุขมีความสงบไม่เดือดร้อนอะไรงั้นพวกเราต้องตั้งอกตั้งใจนะมาเรียนวิธีการที่พระพุทธเจ้าสอนเรา ท่านสอนให้เราต่อสู้เอาชนะกิเลสในใจของเรานี่เองไม่ได้เอาชนะคนอื่นหรอกกิเลสมันมีหลายระดับกิเลสชั้นต่ําๆเนียความโลภความโกรความห ล, ลงอารมณ์ที่บือ้อบารุนแรงทั้งหลายเนี่กิเลสมันมีแรงมากกิเลสมันแรงมากๆเนะี่ยเราสู้มันด้วยสติสู้ด้วยปัญญาสู้ยังไม่ไหวถ้ากิเลสรุนแรงมากเราก็ใช้เครื่องมือที่หยา บ, ยาบ กิเลสมันหยาบเราก็ใช้เครื่องมือที่หยาบหยาบคือศีลศีลเนี่ยยังไม่สามารถเอาชนะกิเลสได้หรอกศีลเนี่ยเป็นเครื่องมือสู้กับกิเลสที่รุนแรงคือเราตั้งใจไว้ก่อนว่าเราจะไม่ทําชั่วทางกายทางวาจาคนที่ทําชั่วทางกายทางวาจาได้นะเพราะกิเลสมันครอบงําใจความโลภความโกรธเลยครอบงําใจนะเพื่อทําผิดศีล อย่างโกรธขึ้นมาก็ไปทําร้ายเขาได้ไปรักทรัพย์เขาได้ไปแกล้งผิดลูกผิดเมียเขาได้ไปใส่ร้ายป้ายสีเขาก็ได้ไปแกล้งยกย่องเขาก็ได้นะแกล้งชมให้มันเสียคนไปเลยอันนี้ก็มูสาวาดเหมือนกันเลยกรุ้มใจขึ้นมาก็ไปกินเหล้าเนื้อตัวสาวตัวเดียวก็ผิดศีลห้าได้หมดนะมีโลภะตัวเดียวก็ผิดศีลห้าได้หม ด, ม เ, ด, ด, ห ด, หมดเหมือนเหมือนกันคนทำผิดศีลได้เพราะกิเลสมันรุนแรงมันครอบงําใจได้ นี้ถ้าเรายังไม่มีสติปัญญาที่จะไปสู้กิเลสไว้นะเราใช้ความตั้งใจจริงของเราบอกกับตัวเองทุกวันว่าเราจะไม่ยอมทําผิดศีลหนานะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นทุกวันนี้คนไม่เข้าใจคนตูถูกการรักษาศีลเห็นศีลเป็นเรื่องของคนโง่คนหอ่อนแอไม่รู้หรอกว่าคนที่ถือศีลได้เนี่คือคนเข้มแข็งคนหอ่อนแอไม่สามารถถือศีลได้มันสู้กิเลสไม่ไหว งั้นถ้าเราตั้งอกตั้งใจะคิดว่าเราจะต้องเอาดีให้ได้เราจะพ้นทุกข์ให้ได้เบื้องต้น่ะตั้งใจรักษาศีลเอาศีลห้าพอแล้วไม่ต้องศีลแปดหรอกไม่ต้องศีลสิบไม่ต้องศีลสอง้อยี่สิบเจ็ดหรอกศีลที่สําคัญที่สุดคือศีลห้านี่แหละไม่ทําชั่วทางกายทางวาจาด้วยอํานาจของกิเลสเราจะสู้กิเลสไม่ได้กิเลสมาอยากทําชั่วมากเลยกเกลเียดเขาเต็มที่อยากฆ่าเขา อดใจไว้ตั้งใจไม่ทำการที่เราไม่ตอบสนองกิเลสนะ่ะระยะยาวเนี่ยกิเลสจะอ่อนแรงลงแต่ถ้าเราตอบสนองนะกิเลสจะยิ่งแรงขึ้นเรื่อยๆอย่างถ้าเราตามใจตัวเองนะอย่างสาวๆเนี่ยไม่ค่อยบนนะพอแต่งงานไปมีลูกมีอะไรนะบนเก่งขึ้นเรื่อยๆพอตอนแก่เนี่ยเป็นใจแก่ขี้บนนะ <Yeah. S 1> เพราะอะไรมันจำนี้ํนานาญ มันคุ้นเคยที่จะบนนะ่นผู้ชายก็เหมือนกันนะชอบตามใจตัวเองพอแก่ๆนะเอาแต่ใจนะอันนี้ลูกหลานไม่ชอบหรอกไม่มีใครก็อยากให้เธอมีชีวิตยืนยาวเลยนะอยากให้ตายตายซะนะเพราะอะไรมันสู้กิเลสไม่ไหวมันตามใจกิเลสมานั้นธรรมชาติของจิตเนะี่ยมันจะไหลไปตามความเคยชินถ้าเราเคยชินที่จะตามใจกิเลสกิเลสจะยิ่งมีกําลังมากขึ้นมากขึ้น เพราะงันเราฉีดเส้นตัวเองไว้เลยกิเลสแแปงแค่ไหนนะเราอย่าให้ผิดสีหา้าแค่ห้าข้อพอละไม่ต้องสีแปดหรอกเป็นฆราวาสนะ่ะถือสีแปดมากๆโลกก็พาะกินนะทํางานหนักตกเย็นแล้วก็โซบเต็มทีแล้ว ย, ยังไม่กินอีกมันก็เกินไปเนะมันถือแค่สีห้า ก, ก็พอละละการตั้งใจรักษาสีนเนี่ยเบื้องต้นใช้การเตือนตัวเอง ปฏิญาณกับตัวเองไม่ต้องไปขอกับพระนะทุกวันนี้พวกเราเห็นไม่พระทําผิดศีลเยอะเลยพระไม่มีศีลเพราะโยมขอไปหมดลนะ <c oughs> ขอไปคนละห้าข้อห้าข้อมาร้อยคนพระมีศีลสองรอยี่สิบเจ็ดโยมขอไปร้อยคนนะหมดไปแลนะ้วติดลบอีกศีลไม่ต้องไปขอใครนะตั้งใจรักษาเอาเองตื่นนอนมาก็ตั้งใจว่าเราจะรักษาศีลห้า ก่อนจะกินข้าวเช้าก่อนจะกินข้าวกลางวันก่อนจะกินข้าวเย็นก่อนจะนอนตั้งใจไว้เราจะรักษาศีลห้าตื่นนอนมาก็ตั้งใจไปเลยนะเป็นการเตือนตัวเองบอกกับตัวเองเรื่อยๆว่าเราจะรักษาศีลห้างั้นต่อไปเวลาเราบอกไปนานๆนะเวลาเราคิดจะทําผิดศีลเนี่ยใจมันจะเตือนตัวเองได้ตั้งใจไว้แล้วนี่ว่าจะไม่ทำผิดอันนี้เป็นการรักษาศีลขั้นต่ํานะ มันมีวิธีที่จะรักษาศีลได้สูงกว่านี้คือคอยรู้ทันเวลากิเลสเกิดขึ้นเพาะหลวงพ่อบอกแล้วเนี่ว่าคนเราทําผิดศีลนะเพราะกิเลสมันครอบงําใจกิเลสเนี่ยมนันแปลกอย่างหนึ่งถ้าเมื่อไหร่เรารู้ทันมันเครื่องมือในการรู้ทันกิเลสที่กาลังเกิดขึ้นนะเรียกว่าสติสติเป็นตัวรู้ทันสภาวะของรูปธรรมนามธรรมที่กาลังปรากฏขึ้น เมื่อไรทพสติเกิดขึ้นนะเมื่อนั้นกิเลสจะดับอัตโนมัติเพราะเมื่อไรมีสติเมื่อนั้นจะไม่มีกิเลสเมื่อไรมีกิเลสเมื่อนั้นจะไม่มีสตินี่เป็นกฎของธรรมะที่แรกเราตกเว็นฝ่ายรับกิเลสมารุกรานเราก็คมใจว่าเราจะไม่ผิดศีลคราวนี้เราจะเริ่มฝึกตัวเองให้มันสูงขึ้นไปตีโต้กับกิเลสบ้างแล้วดยการที่เอาชนะมันน ะ, ะเครื่องมือสาคัญคือสติ สติเป็นตัวรู้ทันพวกเรารู้จักโกรธไหมรู้จักใช่ไมโกรธอย่างเราจะข้ามถนนนะคนมันไม่ยอมจอดให้เราข้ามทั้งๆ ท, ที่มันเป็นไฟแดงด้วยเป็นทางม้าลายด้วยไม่ยอมเวลาเราโกรธจะสังเกตไหมทุกคราวที่เราโกรธเน่ยเราจะไปดูไอ้คนที่เราทําให้เราโกรธหรือเราขับรถอยู่คนมาปาดหน้าเราใจเราโกรธ พอโกรธปุเราจะไปดูไอ้คนที่ขับรถปาดเราเมื่อนอนมันหนีไปนอนละเดี๋ยวต้องขับตามไปปาดคืนนี่เวลาความโกรธเกิดขึ้นน่ะเราไม่รู้ว่าความโกรธกําลังเกิดเรามัวแต่ดูไอ้คนที่ทําให้เราโกรธอางนี้เรียกว่าไม่มีสติถ้ามีสติก็รู้ทันว่าตอนนี้กําลังโกรธอยู่หรือเห็นสาวสวยเดินมาสาวสวยเดินมาใจเราชอบใจเราเกิดราคะเราชอบเพราะะน เวลาเราชอบใครสักคนเราก็จะคอยมองเขาคอยเดินตามดูเขานะบ้านอยู่ไหนอะไรเนี้ยนะจะขอเบอร์โทรศัพท์จะทำยังไงนะถ้าแลกลายได้ก็จะดีอะไรอย่างงี้ยนะขนาดนั้นเวลาที่ราคาเกิดเนี้ยเราสนใจที่สาวคนนั้นเราไม่รู้ว่าราคาความรักความใคร่ความต้องการเนี่ยเกิดขึ้นในใจตัวเองเห็นไมเวลาที่ กระทบอารมณ์ที่ไม่พอใจโกรธขึ้นมาเราไม่รู้ไม่ดูตัวเองว่ากําลังโกรธเราไปดูคนที่ทําให้เราโกรธเวลาเกิดอารมณ์ที่ชอบใจนะเรามีราคาเกิดขึ้นมาเราไม่เห็นว่าจิตใจมีราคะเราไปดูคนที่ทําให้เรามีราคะไปดูวัตถุที่ทําให้เราชอบหรือเราไปเดินศูนย์จการค้าจุฬาในแวดล้อมด้วยศูนย์การค้ามากมายะ เราไปเดินเห็นนี้นี่ก็อยากได้เห็นี่นี่ก็อยากได้เวลาเราอยากได้อะไรสักอย่างหนึ่งใจเราจะไปอยู่ที่นั้นเขามี iPhone 6มีเอมีอะไรออกมาอีกนะอยากได้อะไรรุ่นใหม่หมดอยากได้หมดเลยขาะที่เราสนใจวัตถุสิ่งของอนะันนั้นใจเราไปอยู่ที่ของเราไม่เห็นว่าใจกำลังอยากได้เนี่ยเราลองกลับข้างนะแทนที่จะปล่อยเนื้อปล่อยตัวปล่อยใจ ให้หลงออกข้างนอกตลอดเวลาเนี่ยเราย้อนกลับข้างมาคอยรู้ทันใจของตัวเองบ้างถูกขับรถปาดหน้าโกรธให้รู้ว่ากำลังโกรธไม่ใช่รู้ว่าไอ้คันนั้นฟาดเราแค่นั้นกระจอกมากใครก็รู้ลองเปลี่ยนพฤติกรรมของเราเองย้อนกลับมาเรียนรู้ใจตัวเองให้ได้ ท, ทันทีที่โกรธแล้วเราย้อนมาเห็นใจที่โกรธความโกรธจะดับโดยอัตโนมัติ เพราะเมื่อไรมีสติเมื่อ น, นั้นไม่มีกิเลสท่านใดที่โลภแต่มีสติรู้ว่าโลภขณะนั้นความโลภจะดับอัตโนมัติเพราะว่าที่ใดมีสติที่นั้นไม่มีกิเลส น, นี่เป็นกฎของธรรมะเนละนี่กฎของธรรมะเหล่านี้แหละที่พระเจ้าท่านค้นพบนะท่านค้นพบธรรมะจานวนมากคือกฎความจริงจํานวนมากเลยโดยเฉพาะความจริงในด้านจิตใจนะทุวันนี้เราลาเลยนะน่าเสียดายมากเลย สาตร์ที่ผู้ที่เช่าคนพบเนี่ยอัศจรรย์มากเลยในทางโลกหลวงพ่อเขเรียนหนังสือเยอะเหมือนกันนะแต่ว่าพอมาพอหนาแล้วก็รู้เลยว่าความรู้ทางโลกนะความรู้ท่วมหัวตัวไม่รอดหรอกยังไงก็ทูกอีกแต่ความรู้ที่ผู้ที่เช่าสอนนะมันทำให้เราเป็นอิสระมากขึ้นมากขึ้นนะแต่เดิมเราไม่อิสระเพราะเราถูกความโกรธครอบงำเราไม่อิสระเพราะถูกความโลภครอบงำ เราไม่อิสระเพราะถูกความหลงครอบงำเราคอยมีสติรู้ทันนะใจเราไม่ถูกความโลภความโกรธความหลงครอบงำไม่ใช่เป็นตัวของตัวเองมันมีเหตุมีผลในตัวเองจะดำรงชีวิตด้วยความมีเหตุมีผลไม่ใช่ด้วยถูกกิเลสสัง่งคนในโลกนี้ที่ถือตัวว่าแน่ถือตัวว่าเก่งนะถือตัวว่าใหญ่ไม่มีใครบังคับกูได้ สุดท้ายมันก็ถูกกิเลสบังคับนันตกเป็นทาตุโดยที่ไม่รู้ตัวว่าเป็นทาตนะุมนน่าสงสารตัวนีนะ้ถ้าเราเป็นทาตอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วเราไม่รู้ว่าเราเป็นทาตนะุเราจะไม่มีวันเป็นอิสระได้เลยเราเป็นทาตของกิเลสนี้แหละมันสั่งเราทั้งวันนะสั่งให้โกรธเราก็โกรธนะโกรธแล้วก็สั่งให้ไปด่าเขาไปตีเขาไปทําร้ายเขาก็ทําได้เราเป็นทาตของความโลภอยากได้นอนได้นี่นะก็ไปแย่งชิงเขาไปหลอกลวงเขาทําอะไรได้สารพัดเลย เนี่ยเราเป็นธาตุโดยที่ไม่รู้ว่าเป็นธาตุะแล้วเมื่อไหร่มันจะพ้นจากความเป็นธาตุได้อาศัยสตินักคอยมารู้ทันจิตใจของตัวเองความโลภเกิดขึ้นให้รู้ความโกรธเกิดขึ้นให้รู้ความหลงเกิดขึ้นให้รู้คอยรู้ไปบ่อยๆความโลภความโกรธความหลงมันเกิดตอนไห น, นเกิดตอนที่ตามองเห็นอย่างตาเรามองเห็นอย่างนี้เราโกรธตามองเห็นอย่างนี้เราโลภในขณะที่เห็นเราลืมกายลืมใจเรียกว่าหลง มันเกิดตอนไหนอีกตอนที่หูได้ย hear like ินเสียงเราได้ยินเสียงอย่างนี้ใจเราชอบใจได้ยินอย่างนี้ใจเราเกลียดเนียนะม่นกิเลสมันเกิดตอนนี้เองเกิดตอนที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ใจกระทบอารมณ์ก็คือใจมีคิดเวลาเราคิดเรื่องนี้นะใจก็เกิดราคะคิดเรื่องนี้ใจเกิดโทสะคิดเรื่องนี้เพลินไปหลงมีกายลืมกายมีใจลืมใจคําว่าหลงนี่เป็นคําลึกซึ้งนะลึกกว่าคาว่าโลภพำว่าโกรธมากเลย คำว่าหลงเนี่ยไม่สามารถรู้สภาวะที่กําลังปรากฏได้หลงเมื่อใดมีร่างกายนะเรามีร่างกายอยู่เนี้ยแล้วเมื่อใดเราลืมร่างกายแล้วมีจิตใจเราลืมจิตใจถ้าลืมทั้งกายลืมทั้งใจเรียก็หลงแล้วละ่ะอาศัยสตินะค่อยรู้ทันรู้จักโกรธไหมใครไม่เคยโกรธเลยย่อมือหนาชีมีไหมใครรู้จักรอบบ้างย่อมือซิใครรู้จกบบัครรจกคําว่ารอบ แม้คำถามของหลวงพ่อกลับข้างนะหลวงพ่อจะทดสอบว่าหลับไปหรื อ, อยังสรุปว่ายังไม่หลับใช้ได้นะโกรธเราก็รู้จักรอบเราก็รู้จักใช่ไหมรู้จักใจลอยไหมรู้จักฟุ้งซ่านไหมเนี่ยตระกูลหลงตระกูลหลงนะใจลอยฟุ้งซ่านนะเรารู้จักกิเลสนาน า, น า, นานชนิดอยู่แล้ว ไม่ใช่เรื่องประหลาดอะไรที่เราจะคอยรู้ทันที่ผ่านมานะถ้าเราอยากรู้ว่าตอนนี้จิตใจมีกิเลสอะไรเราก็รู้ได้แต่เราละเลยที่จะรู้เพราะเรามวสนใจสิ่งต่างๆสิ่งที่เราไปเห็นสิ่งที่เราได้ยินได้กลิน่นได้รสได้สมัมผัสเราสนใจของพวกนั้นอย่างคนขับรถปาดหน้าเราโกรธเราอยากรู้ว่าใจมันโกรธเราก็รู้ได้เพราะเรารู้จักว่าโกรธเป็นไงแต่คนส่วนใหญ่ละเลยที่จะรู้ รู้ก็รู้ได้นะแต่และเลยต่อไปนี้อย่าละเลยคอยรู้ทันความโกรธเกิดขึ้นคอยรู้ทันความโลภเกิดขึ้นรู้ทันความฟุ้งซ่านเกิดขึ้นรู้ทันความหดหู่เกิดขึ้นรู้ทันรู้ทันใจตัวเองบ่อยๆถ้ารู้ทันใจตัวเองได้แล้วกิเลสมันจะครอบนาใจไม่ได้เพราะกิเลสมันดับไปแล้วศีลมันจะเกิดโดยอัตโนมัตินะไม่ต้องตั้งใจ ร, รักษาเลยมันจะไม่ผิดศีหลหรอก อย่างวาความโกรธเกิดขึ้นเรารู้ว่าโกรธความโกรธ ด, ดับเนี่ยเราจะไปทําร้ายเขาเหรอมันก็ไม่ทําร้ายแล้วนะความโลบเกิดขึ้นเรารู้ทันแล้วเนี่ยเราจะไปหลอกลวงสาวมาทําไมครับ ก, กิเลสเกิดเราเห็นเสแล้วมันดับไปแล้วนันเราจะปลดปล่อยตัวเองนะจากอํานาจของกิเลสเราจะเป็นอิสระมากขึ้นแล้วศีลนะเมืองต้นเป็นการข่มใจไม่ยอมทําตามกิเลส ในเบื้องต้นเป็นการคมใจไม่ทำตามกิเลสแต่ในเบื้องปลายที่เราฝึกจนชำนิชำนาญแล้วเนี้ยกิเลสไม่มีโอกาสมาครอบงาใจเพราะเรามีสตินะศีลมันเป็นอัตโนมัติไม่ต้องคิดเรื่องอารัธนาศีลเลยมันเป็นเองกิเลสระดับต่อไปนะเป็นกิเลสชั้นกลางเรียกกิเลสชั้นกลางเป็นตัวที่ทำให้จิตใจนี้เสียสมาธิไป กิเลสตัวกลางนี้เขาเรียกมีชื่อเรียกเทคนิคเข้าเทิมเรียกว่านิมอนใครเข้าวัดเข้าฟังธรรมะอะไรคงเคยได้ยินธรรมะนิมอนรู้จักไหมนิมเครื่องกันกันอะไรการจิตจากสมาธิการจิตนิมอนเนี่ยเป็นกิเลสเหมือนกันแต่เป็นกิเลสที่เบาบางไม่รุนแรงมือหวาเหมือนความโลบความโกรธความหลง มันเป็นความฟุ้งลึกๆของจิตเป็นความฟุ้งลึกๆของจิตนะเช่นมันฟุ้งไปอย่างนี้นะมันโน้มไปฟุ้งไปด้วยพอใจฟุ้งไปด้วยแรงของความพอใจฮนะเรียกเป็นกามฉันทะนิวรณ์ฟุ้งไปด้วยแรงของความไม่พอใจเรียกพยาปาทะนิวรณ์ฟุ้งไปด้วยแรงที่จับจดในอารมณ์นะจับอารมณ์ได้ไม่มั่นเรียกอุทัจจะกุกุจจะ ฟุ้งไปแล้วก็เกิดสงสัยเกิดอะไรขึ้นมานะถ้าไม่ฟุง้งไม่สงสัยหรอกนะเวลาที่เราสงสัยนะตามหลังความคิดมาทุกทีละ่ะความสงสัยทั้งหลายตามหลังความคิดมาทั้งนั้นนะถ้าใจไม่หลงไปไม่ไม่ไมฟุ้งซ่านไปนะความลังเลยสงสัยไม่มีหรอกนะหรือเวลาที่ใจเราฟุ้งมากมากนะถัดจากเวลาที่ใจฟุ้งซ่านมากๆแล้วใจจะซึม พราะเรานืส้สภาพอบอกไหมเวลาที่เราเกิดโทสะแรงๆนะเมื่อโทสะแรงๆผ่านไปแล้วเนี้ยใจเราป่อแฝแบบช่วงหนึ่งนะไม่มีเรื่องมีแรงหรือเวลาที่เรามีราคะแรงๆนะพอราคะแรงๆผ่านไปนะใจเราก็ซึมๆนะไม่มีเรื่องมีแรงสิ่งเหล่านี้มันเป็นสภาวะที่ใจมันฟุ้งซ่านนะฟุ้งซ่านไปนานาชนิดฟุ้งซ่านไปน า, นานารูปแบบหนอาศัยอะไรไปสู้กับมันนะ่ะ ในตำรา บ, บอกใช้สมาธิไปสู้กับมันสู้กับความฟุ้งซ่านสมาธิอะไเป็นเครื่องมือสู้กับนิวรณ์วิธีสู้กับนิวรณ์นี้มันทำได้สองแบบสําหรับคนที่ทรงฌานก็เข้าฌานเลยแล้วอาศัยองฌานเนี่ยไปข่มนิวรณ์ทั้ง5้าเมื่อจิตไม่มีนิวรณ์นะเมื่อจิตไม่มี่นิวรณ์สมาธิก็ยิ่งมัน่นคงขึ้นมัน่นคงขึ้นคืออาศัยสมาธิไปข่มนิวรณ์ แล้วจิตก็สงบสบายนี่เป็นวิธีหนึ่งนะสำหรับคนซึ่งเล่นชานแต่หน้าตาพวกเราเนี่ยเข้าชานยากหน้าตาพวกเราโงเ่เฮงง่ายเลยว่าพุงซ่านเก่งนะพุงซ่านเป็นอาชีพนะนะวันวันหนึ่งมีกระทบอารมณ์รุนแรงทั้งวันนะทุกวันนี้เวลาเรานั่งรถไปนี่ก็ป้ายโฆษณานั่นก็มีอนโน่นอันนี้ให้ดูตลอดเวลาเลย อยู่คนเดียวในห้องนะก็ยังมีเฟซมีไลน์มีอินเทอร์เน็ตอะไรนะชวนให้เราฟุ้งได้ตลอดเวลาเลยงานโอกาสที่เราจะมาเข้าฌานให้ได้ลึกๆให้ประณีตชำนีชํานาญนึกอยากเข้าฌานก็เข้าเลยอะไรทาไม่ได้คนว่าเรานะไม่ได้เก่งเรื่องสมาธิเขาเก่งเรื่องไหนรู้ไหมปากเก่งปากเก่งนะเจ้าความคิดเจ้าความเห็นนะมีภาควิจารณเก่งเก่งเรื่องพวกเนี้ย เข้าฌานไม่เป็นหออกส่วนใหญ่ดางนั้นเราจะทํำยังไงดีทําไงเราจะมีสมาธิแล้วก็สามารถข่มนิวรณนได้ถ้าเราเข้าฌานให้มีสมาธิแล้วไปข่มนิวรณนโดยตรงไม่ได้มีวิธีการให้เราเอาศัยสตินะรู้ทันจิต ท, ที่ฟุ้งซ่านรู้จักฟุ้งซ่านไหมฟุง้งซ่านใจมันหนีหนีวิ่งรูปไปดูไปฟังไปคิดนะสลับกันไปสลับกันมาอย่างรวดเร็วเลยมันฟุง้งซ่าน มันฟุ้งไปทางตาหูจมูกลิน้นกายใจมันสั้นไปหารูปเสียงกลิน่นรสพุทธภาธรรมรมมันฟุ้งสั้นออกไปได้ยังไความฟุ้งสั้นเป็นกินเลสนะเป็นกินเลสตระกูลโมหะง้นอาศัยสตินี่แหละรู้ทันความฟุ้งสัน้นวิธีที่อาศัยสติไปรู้ทันความฟุ้งสั้นเนี่ยอยู่ๆมันไม่รู้หรอกเพราะความฟุ้งสั้นเป็นกินเลสที่ละเอียดกว่าลบลดลงธรรมดา เราควรนะควรจะควรจะทากรรมฐานสักอย่างหนึ่งอะไรก็ได้ที่เราถนัดจะอยู่กับพุโทโธก็ได้อยู่กับลมหายใจก็ได้จะดูท้องพองยุบจะขยับมือทำจังหวะจะเดินจงกรมนะอะไรก็ได้สักอย่างหนึ่งแต่ไม่ได้ทำเพื่อให้สงบนะเพราะว่าพวกเราทำให้สงบยากทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วรู้ทันความฟุ้งซ่านในกลับข้างเลย แต่ที่จะทําเพื like bon Hoy, ่อให้ใจสงบนะแต่กลับทําเพื่อให้รู้ทันความฟุ้งซ่านเช่นเราพุทโธพุทโธนะจิตนี้ไปคิดเรื่องอื่นแล้วลืมพุทโธแล้วรู้ทันว่าจิตหนีไปหรือเราดูท้องพองยุบรู้ลมหายใจรู้ไปสบายๆเมื่จิตหนีไปคิดเรื่องอื่นหรือจิตไปเพ่งลมหายใจจิตไปเพ่งท้องให้รู้ทันทันทีที่เรารู้ทันว่าจิตมันหนีไปนะก็คือรู้ทันความฟุ้งซ่านความฟุ้งซ่านจะดับอัตโนมัตินะ เนี่ยเราใช้หลักของธรรมะตรงนี้เมื่อไรมีสติเมื่อนั้นไม่มีกิเลสอาศัยสติรู้ทันความฟุ้งซ่านความฟุ้งซ่านจะดับเมื่อความฟุ้งซ่านดับอะไรจะเกิดสมาธิก็เกิดในวิธีที่ง่ายๆนะเป็นวิธีที่ง่ายๆเป็นวิธีที่พระพุทธเจ้าสอนพวกปัญญาชนพวกนักบริหารเพระพุทธเจ้าสอนอาชาติศัตรูชาติศัตรูเป็นกษัตริย์วันๆมีเรื่องต้องคิดเยอะแยะเลยมีเรื่องเครียดเียดเยอะแยะ ถ้าท่านไปสอนในชาติสัตรูให้เข้าฌานนะเข้าไม่ไหวเนี่ยท่านให้สอนให้รู้ทันรู้ทันใจที่ฟุ้งซ่านรู้ทันนิวรว์นั่นเองเอาตัวเดียวก็พอนิวรนมีห้าตัวนะเอาความฟุ้งซ่านนี่แหะถ้าไม่ฟุ้งสติอย่างเดียวตัวอื่นไม่มาแล้วรู้จักไหมฟุ้งซ่าหนหลวงพ่อจะพาให้ดูต่อไปนี้หลวงพ่อจะหยุดพูดแปดหนึ่งนะห้ามพวกเราคิดห้ามคิดนะอ้าวเริ่ม คิดไหมคิดธรรมชาติของจิตต้องคิดนะอย่าไปห้ามเลยไม่มีทางหรอกแล้วทําไมเรียกให้ห้ามเรียกให้ห้ามเพื่อให้ตูไงว่าจิตมันคิดได้เองรู้สึกไหมจิตมันคิดแล้วเองเราตั้งใจจะไม่คิดนมันก็คิดเอาคิดเอาบางคนไปคิดพุทโธพุทโธนะเนี่ยบอกไม่ได้คิดเลยเนี่ยคิดท่องพุทโธอย่างเดียวพุทโธก็คิดเอานั่นแหละะใจเนี่ยมันมีธรรมชาติจิตมันมีธรรมชาติช่างคิดอยู่แล้วอะห้ามมันไม่ได้นะ แต่ถ้ามันไปคิดแล้วเรารู้ทันถ้ามันคิดแล้วเรารู้ทันเนี่ยภาวะแห่งความตื่นจะเกิดขึ้นภาวะแห่งความตื่นภาวะแห่งพุทธะความเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาลผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเนี่ยตรงข้ามกับผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งใจของคนทั่วไปของสัตว์ทั้งหลายเนี่ยเป็นใจที่ช่างคิดนึกปลุงแต่งตลอดเวลาแต่ถ้าเมื่อไหร่เรามีสติรู้ทันเช่นเราหัด พุโทโธพุโทโธไปหายใจไปเลยใจหนีไปคิดเรารู้ใจหนีไปคิดเรารู้เนี่ยทันทีที่รู้นะกาบความฟุ้งซ่านจะดับอัตโนมัติสภาวะแห่งความรู้จะเกิดขึ้นครูบาอาจารย์แต่ก่อนท่านเรียกว่าตัวรู้ผู้รู้จิตผู้รู้หลังๆให้คำนี้หายไปนะจิตจะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานมันเบิกบานในตัวของมันเองไม่ต้องทำออหรอกมันเบิกบานโดยตัวของมันเอง ทันทีที่มันรู้ทันความหลงนะความหลงดับปุ๊บจิตจะตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมาได้นะตัวนี้ต้องฝึกนะเพราะธรรมชาติของจิตเราเนี่ยฟุ้งสั้นเก่งมันฟุงมาตั้งแต่เกิดแล้วละ่ะแล้วมันเกิดมาได้ก็เพราะมันฟุ้งนั่นแหละนะั่มันชินที่จะฟุง้งนั่นเราต้องฝึกกรรมฐานสักอย่างหนึ่งไม่ได้ฝึกเพื่อห้ามไม่ให้ฟุง้งห้ามไม่ได้จิตจิตเป็นอนัตตาเราห้ามมันไม่ได้แต่ทํากรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วรู้ทันจิตที่ฟุ้งสัน้น พุทโธพุทโธพุทโธไปจิตหนีไปคิดเรารู้พุทโธพุทโธจิตไหลไปอยู่ในความว่างเรารู้ทันจิตือจะตื่นขึ้นมาหรือเรารู้ลมหายใจเห็นร่างกายหายใจออกหายใจเข้าจิตหนีไปคิดเรารู้หรือจิตไหลไปอยู่ที่ลมหายใจเรารู้จิตมันไหลได้นะมันเคลื่อนไปได้มันเคลื่อนไปอยู่ในโลกของความคิดก็ได้เคลื่อนไปอยู่ที่ใดที่หนึ่งก็ได้เราทดสอบสิเราเพ่งหัวแม่มือตเอง จ้องเราไปที่หัวแม่มือเลยให้ใจเราไปรวมอยู่ที่หัวแม่มือเลยเอาเปลี่ยนใหม่คิดถึงผมของตัวเองให้ใจไปอยู่ที่ผมเอาเปลี่ยนใหม่เราไปอยู่ที่หัวแม่เท้าสิเอาอันเดียวนะไม่ต้องสองอันเอาอันเดียวรู้สึกไหมมันเคลื่อนที่ไปได้ไปเคลื่อนไปได้ อย่างเวลาเรานั่งอยู่เนี่ย น, นะเวลาเรือบินมันบินมาเสียงมันดังทางนี้นะใจเราก็วิ่งไปทางนี้พอรือบินมันเคลื่อนนะใจเราก็สแกนตามมันไปเรื่อยๆใจมันวิ่งได้ถ้าเรารู้ทันใจที่เคลื่อนนะใจจะเลิกเคลื่อนไม่ต้องห้ามนะใจไม่ไม่ต้องห้ามถ้ารู้ทันจิตที่ฟุ้งซ่านนะความฟุ้งซ่านจะดับความฟุ้งซ่านดับสมาธิจะเกิดใจจะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมา นี่เป็นเครื่องมือตัวที่สองนะนี่พอใจเราเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วนะเรามาสู้กับกิเลสชั้นละเอียดกิเลสชั้นละเอียดเนี่ยไม่ใช่ลบกลดลงกิเลสชั้นละเอียดไม่ใช่นิวรณ์ไม่ใช่ความฟุ้งซ่านกิเลสชั้นละเอียดคือความไม่รู้ความโ ง, ง่เหมือนศัตรูร้ายในชีวิตของเราเนี่ยไม่ใช่คนอื่นไม่ใช่สิ่งอื่นนะสิ่งที่เป็นศัตรูร้ายที่แท้จริงของเราแต่ละคนแต่ละคน คือความไม่รู้ความโง่องของเราเองไม่รู้อะไรไม่รู้อริยสัจสี่นะไม่รู้อริยสัจสี่ถ้าตรับใดที่ไม่รู้อริยสัจสียัษษยงพ้นจากทุกข์ไม่ได้ถ้ารู้แจ้งแทงตลอดในอริยสัจสี่จะพ้บบนจากทุกข์นะอริยสัจสี่นี่เป็นธรรมะที่สําคัญที่สุดถ้าชาวพุทธไม่รู้จักอริยสัจสี่เป็นชาวพุทธไม่ได้ ลำพังแค่มีทานมีศีลมีสมาธินะการทำทานการรักษาศีลการนั่งสมาธิมีมากอดพระพุทธเจ้าสิ่งที่ทำให้ศาสนาพุทธต่างจากคนอื่นก็คือการเจริญปัญญาหรือการจะทำมิปัสนากรรมฐานทำไปเพื่ออะไรมีปัญญาก็เพื่อล้างความโง่ความไม่รู้ไม่รู้อะไรไม่รู้ความจริงเกี่ยวกับชีวิตของตัวเอง สิ่งที่ประกอบกันเป็นชีวิตของเรานะก็ประกอบด้วยร่างกายและจิตใจนี้เองดงั้นถ้าอยากมีปัญญาที่แท้จริงเนี่ยก็ต้องรู้ความจริงของกายของใจของรูปนามที่ประกอบกันเป็นตัวเราเพราะความไม่รู้ความจริงของรูปของนามของกายของใจนี่แหละทำให้เราเกิดความหลงผิดว่าตัวเรามีอยู่อย่างแท้จริงเมื่อตัวเรามีอยู่อย่างแท้จริงก็เกิดการดิ้นรนสแสวงหา สแสวงหาทุกสิ่งทุกอย่างกระทั่งหาลูกหาเมียหาอะไรต่ออะไรทรัพย์สมบัติชื่อเสียงเกียรติยศแย่งกันหานะแล้วจุดสุดท้ายก็ต้องจับอาวุธเข้าต่อสู้กันต่อสู้แย่งชิงกันมันริ่มมาจากความเห็นผิดว่าตัวเรามีอยู่จริงๆอย่างคนบางคนนะไม่สามารถรู้อริยสัจได้แต่เขาใครคิดอยู่เรืเลยว่าชีวิตนี้เป็นของไม่แน่นอน อย่างนี้จะให้เขาไปต่อสู้แย่งชิงฟาดฟันกับคนอื่นนะไปทํำร้ายคนอื่นนะแค่นี้เขาก็ไม่เอาละะแต่ถ้าถึงขนาดเห็นนิยสัตย์ได้นะโอใจมันจะพ้นทุกต่อหน้า ต, ตาเลยอศัศจรรย์มากเลยนะทำไงจะรู้ริยสัตย์พวกเรารู้จักแม่ริยสัตย์รู้จักไหมทุกสมูทายที่รอดมรรคอะไรเรียกว่าทุกแบบความแก่ความเจ็บความตายเใช่ไหม ความพลัดพรากจากสิ่งที่รกักการประสบสิ่งที่ไม่รกักปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นความโศกความร่ำไรํรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจนี่คือเป็นทุกข์แต่สิ่งนี้เป็นจริงๆแล้วเป็นแค่อาการปรากฏของทุกข์เนั้นเองมันเป็นอาการของปรากฏของทุกข์ความแก่ความเจ็บความตายเนี่ยเป็นอาการปรากฏของทุกข์คือปรากฏของตาย ในความเป็นจริงแล้วสิ่งที่เรียกว่าทนะุกน่ะก็คือรูปนามนี่แหละขันห้านี่แหละคือตัวทุกพระเจ้าตรัสสอนบอกสังคิเตเตนะปัญจุปาทานักขันธาทุกขาโดยสรุปขันทั้งห้าคือตัวทุกใครไม่รู้จักขันห้าบ้างมีไหมรู้จักไกลขใจไหมคล้ายๆนะไม่ตรงกับคําว่าขันห้าทีเดียขันห้าคือคําว่าขันเนี่ยคือตรงกับภาษาฝรั่งอ่ะ division คือส่วน หส่วนอย่าไปกลัวมันคำว่าขันห้าท่านสอนให้เราจําแนกสิ่งที่เรียกว่าตัวเราเนี่ยออกเป็นส่วนๆวนแล้วยแยกได้5้าส่วนส่วนที่เป็นรูปธรรมรู้จักไหมส่วนที่เป็นรูปธรรมส่วนที่เป็นความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์นี่เป็นอีกขันหนึ่งนะเรียก ว, ว่าเวทนาขันส่วนที่เป็นความจําได้หมายรู้เป็นความจำเนี่ยเป็นอีกขันหนึ่งเรียกสัญญาขันส่วนที่เป็นความปรุงดีปรุงชั่วปรุงไม่ดีไม่ชั่วเช่นความรอบความโกรธความหลงเนี่ย หรือศรัทธาวิริยะสติสมาธิอะไรพวกนี้นปัญญาเนี่ยอันนี้เป็นความปรุงทั้งปรุงดีปรุงชั่วอยู่ในขันอีกขันหนึ่งเรียกว่าสังขารขันจิตที่ออกรับรู้อารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเรียกว่าวิญญาณขันเรางั้นจริงๆแล้วถ้าย่อลงมาก็คือ ร, ปรูปธรรมนามธรรม ท, ท, ที่ประกอบกันขึ้นมาเป็นตัวเรานี่เองพวกเรารู้สึกไหมว่าร่างกายของเราเป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างรู้สึกไหม ร่างกายเป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างรู้สึกไหมว่าจิตใจนี้เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างก็เ พ, เพราะเรารู้สึกอย่างนี้แหละเราถึงไม่พ้นจากทุกข์เรียกว่าเราไม่รู้ทุกข์เพราะท่านฟันธงเลยนะว่ารูปนามกายใจขันห้านี่คือตัวทุกข์เรากลับไปรู้สึกว่ากายใจนียทุกข์บ้างสุขบ้างังนั้นเราไม่เข้าใจอริยสัจเรามองอริยสัจยังไม่ออก ทำยังไงเราจะสามารถเห็นได้ว่ากายนี้คือถุกขล้วนๆมีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยนะนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีอะไรตั้งอยู่ไม่มีอะไรดับไปทําังไงเราจะสามารถเห็นว่าจิตนี้เป็นทุกข์ล้วนๆ น, นะไม่ใช่ทุกบ้างสุขบ้างอย่างที่เราเห็นทุกวันนี้นะวิธีที่จะเห็นเนี่ยคือหัดรู้มันบ่อยๆดูกายอย่างที่กายเป็นดูใจอย่างที่ใจเป็นเราทําตัวเป็นแค่ผู้สังเกตการเป็น o b ซ e r v ร r นะ เป็นผู้สังเกตการสังเกตอะไรสังเกตความจริงของร่างกายสังเกตความจริงของจิตใจหลพ่อจะพาดูร่างกายนิดหน่อยนะพวกเราเนี่ยมีความทุกข์เกิดขึ้นในร่างกายอยู่ตลอดเวลาเลยทุกลมหายใจเข้าออกเลยแต่เราไม่รู้หรือเรานั่งอยู่ก็ปวดก็เมื่อยนะเราก็ขยับไปขยับมาเราดับความทุกข์ไปแล้วเราไม่รู้หรอกว่าร่างกายนี้เป็นตัวทุกข์นานๆป่วยหนักๆทีแล้วก็บอกร่างกายทุกทีหนึ่ง พวกเราลองหายใจเข้านะให้ยาวที่สุดในชีวิตเลยแล้วดูว่าทุกไม่ทุกลองดูซิหายใจเข้าไปไม่ไหวแล้วก็หายใจออกหายใจออกไปให้ยาวที่สุดเลยนะอย่าหายใจเข้าเอาให้ยาวสุดในชีวิตเลยหายใจออกไปทุกข์ไหมทำไมเราต้องหายใจเข้าทำไมต้องหายใจออกหายใจเพื่อแก้ทุกด้วยนะนั้นจริงๆแล้วหายใจเข้าก็ถุกข์นะหายใจออกก็ถูกนะ าหายใจเข้าก็ทุกหายใจออกก็ทุกไม่มีช่องให้สุขหละนั่งอยู่ทุกไหมนั่งอยู่ก็ต้องขยับใช่ไหมยืนอยู่ก็ทุกนอนทุกไหมนอนคืนหนึ่งคลิกกี่ครั้งรู้ไหมไม่รู้เลยฝึกนะัะฝึกสตินะถ้าจะรู้คืนหนึ่งคลิกสาสิบสี่สิบครั้งเยอะนะเพราะอะไรเพราะมันทุกความทุกเนี่ยอิริยาบทการเกิดอิริยาบทนะมันปิดบังความทุกในร่างกายของเรา ที่ผ่านมาพอเราทุกปุ๊บเราก็เปลี่ยนอิิยาบททางร่างกายหรือเราหิวขึ้นมาหาอะไรใส่ปากยัดยๆยแเข้าไปในปากความทุกข์เพราะความหิวก็หายไปกินมากไปต้องการขับถ่ายนะวิ่งเข้าห้องน้ำไปขับถ่ายแล้วความทุกข์ก็หายไปเนี่ยถ้าเรามีสติคอยรู้ระลึกอยู่ในร่างกายเรื่อยๆเราจะเห็นว่าร่างกายนี้ไม่น่ารักเท่าไห ร, ร่ร่างกายนี้เต็มไปด้วยความทุกข์่คอยหัดดูบ้างนะ ไม่งั้นเราหลงเกินไปว่าร่างกายเราเป็นของดีของวิเศษพอร่างกายเป็นของดีของวิเศษร่างกายแก่เนี่ยของวิเศษแก่เสียดายร่างกายเจ็บนี่ของวิเศษเจ็บนะเสียดายร่างกายตายของสุดยอดของเราศูญหายไปแนละ้วเสียดายแต่ถ้าเมื่อไหร่เราสามารถเห็นความจริงรนะ่กายนี่คือตัวทุกข์เนี่ยตัวทุกข์มันแก่สมน้าหน้ามันนะ ตัวทุกข์มันเจ็บวุ่นสมน้ำหน้าสะใจเลยตัวทุกข์มันตายเออตายซะได้ก็ดีไมันจะกลับหัวกลับหางแล้วนะในความรู้สึกของเรามันจะไม่ทุกข์เพราะความแก่เพราะความเจ็บเพราะความตายหราะ <S <S ในทางจิตใจนะเรามาสังเกตดูทุกวันนี้ที่เราดิ้นรนทุกสิ่งทุกอย่างเพื่ออะไรเพื่อจะได้มีความสบายใจมีแฟนกับเขาสักคนน่ะอยากรุวมใจไหมมีแฟนก็เพราอยากสบายใจใช่ไห ม, มื่อคนอยากมีลูก นะอยากมีหลานอยากมีเงินอยากมีทุกสิ่งทุกอย่างมีตําแหน่งมีชื่อเสียงคิดว่าถ้ามีอย่างนี้เราจะมีความสุขคิดว่ามีเราไม่ความสุขนะเวลาเสียไปก็เสียใจเวลาไม่ได้มาอยากได้แล้วไม่ได้มาก็เสียใจเป็นทุกข์นะี่อาการปรากฏของมันเลยนะเวลาพลัดพลาดอยากสิ่งที่รักก็ทุกเวลาเจอสิ่งที่ไม่รักก็ทุกอยากแล้วไม่ได้อย่างที่อยากก็เป็นทุกข์อนะไเนะี่ยแต่ถ้าเราสังเกตที่ใจเราให้ดีเราดิ้นรนแทบเป็นแทบตายนะ ดิ้ น, นหาความสุขดิ้นรนหนีความทุกข์ดิ่นแทบตายเลยได้ความสุขมาแวบเดียวนะใจมันก็อ ย, กอยากอย่างอื่นต่อไปละมันจะดิ้นต่อไปเลยนะมันไม่หยุดแค่นั้นหรอกอย่างอยากมีแฟนหนึ่งคนแล้วพอได้หนึ่งคนอยากได้คนที่สองก็มีตัวสำหรับเขาเรียกอะไรนะยุคนี้เขาเรียกจิกใช่ไหมใครมีจิกบ้างไม่ต้องย้งมือนะออันนี้ตอบในใจนะอมีคนนี้ก็ยังอยากต่อไปนะ มีเงินนะไม่เคยมีเงินล้านหนึ่งอยากได้ล้านหนึ่งมันได้ล้านหนึ่งก็อยากได้สิบล้านใช่ไหมมันได้อัปเกรดขึ้นไปเรื่อยเงิใจเนี่ยไม่เคยอิ่มไม่เคยพอใจนี่หิวตลอดเวลาเลยแล้วเวลาเราได้มานะได้มาเราได้ความสุขสั้นๆนะความสุขไม่นานหรอกอย่างสมมติเราไปซื้อโทรศัพท์มือถือมานะเก็บเงินตั้งนานเนะี่ยซื้อมาให้คนขายมันลดให้เราห้าสิบาทเราก็อิ่มโออิ่มใจนะหนซื้อมาได้หมื่นหนึง่ง กำลังจะมาอวดเพื่อนที่คณะมาถือก็พกออกมาเขาก็มีเหมือนกันนะใจเราก็แป้วลงไปหน่อยหนึ่งแล้วนะเขามีเหมือนเราแล้วเขาบอกเนี่ยเขาซื้อมาเก้าพันห้าแล้วตกสวรรค์ดันดีเลยนะเราซื้อมาหมื่นหนึ่งเขาซื้อมาเก้าพันห้านะแล้วจ๋อยเลยกลับบ้านเน่นะนอนกลุ้มใจเลยกลุ้มกินไม่ได้นอนไม่หลับเนี่ยความสุขเนี่ยสั้นนิดเดียวนึกออกไหมความสุขสั้นนิดเดียวใครเคยเล่นแชฉบ้าง มีไหมแต่ก่อนเขาชอบเล่นกันนะแชร์ฉมดชมอยเลยรเล่นแชรแล้วมีความสุขตอนเปียได้ถ้าจากนั้นไม่มีความสุขก่อนจะเปียอยากจะอยู่นานๆจะได้ดอกเบี้ยเยอะๆอยู่นานก็กลุ้มใจตัวคนอื่นโกงนะเอรถ้าเปียได้ก่อนได้เงินมาแล้วก็อยากโกงคนอื่นอีกขี้เกียจสรงนะดูความสุขแล้วสั้นจุดจุเลยความสุขมีนิดเดียว เนี่ยถ้าเรามาสังเกตที่ใจเรานะเราจะเห็นเลยว่าเราดิ้นรนตอบสนองนะเราตอบสนองความต้องการเนี่ยเพื่อจะหาความสุขมาให้จิตใจนะแต่ความสุขนั้นสั้นนิดเดียวความสุขอยู่ไม่นานก็หายไปนะใจก็กลับมาเป็นตัวทุกข์อีกเนี่ยถ้าเราหัดสังเกตใจตัวเองเรื่อยๆนะเราก็จะพบว่าที่ดิ้นรนนั้นไร้สาระจริงๆเลยดิ้นรนเอาของที่อยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปมันเหมือนวิ่งไล่จับความฝันนะ เหมือนวิ่งไล่จับความฝันหรือวิ่งไล่จับเงาของตัวเองนะจับเหมือนจะจับได้แต่ก็ไม่เคยได้สักทีนะัความสุขนะเหมือนภาพหลวงตาเหมือนพยับแดดเหนะมือนความฝันเหมือนเหมือนจะจับได้แล้วก็ไม่เห็นมีสักีนะสลายตัวไปอย่างรวดเร็วทุกทีเลยเนะีนะ่ยถ้าเรามาคอยสังเกตที่จิตใจเราก็จะเห็นนะทุกอย่างในใจเราเนี่ยนะไม่ว่าจะสุขหรือจะทุกจะดีหรือจะชั่วนะทุกอย่างนี้ชั่วคลาวไปหมดเลย เ่าไปนี้ส <subject, that S 1> ังเกตที่ใจตัวเองเวลามีความสุขให้รู้ทันเวลามีความทุกข์ให้รู้ทันเวลาใจเป็นบุญเป็นกุศลให้รู้ทันใจโลภให้รู้ทันใจโกรธให้รู้ทันใจฟุ้งซ่านให้รู้ทันหัดรู้ทันใจตัวเองบ่อยๆรู้เพื่ออะไรไม่ใช่รู้เพื่อเอาดีเอาสุขเอาสงบเพราะดีเป็นของไม่เที่ยงสุขเป็นของไม่เที่ยงสงบเป็นของไม่เที่ยงแต่เราดูเพื่อให้เห็นความจริงว่าทุกอย่างเป็นของโชคเรา ความสุขเกิดขึ้นก็เป็นของชั่วคราวความทุกข์เกิดขึ้นก็เป็นของชั่วคราวนะความดีเกิดขึ้นก็ชั่วคราวลบหลดลงก็ชั่วคราวเนียเฝ้าดูลงไปในใจเรื่อยๆไปให้ตาหูจมูกลิ้นแก่ใจกระทบอารมณ์ไปตามธรรมดาอย่าไปบังคับมันนะอย่าไปบังคับให้ใจนิ่งมีตาก็ดูมีหูก็ฟังมีใจก็คิดให้มันสัมผัสอารมณ์ไปแต่สัมผัสไปแล้วเกิดสุขให้รู้เกิดทุกข์ให้รู้เกิดกุศลให้รู้เกิดลบหลดลงให้รู้ รูปบ่อยๆเพื่ออะไรเพื่อจะเห็นว่าสิ่งใดเกิดสีนั้นระดับนะดูลงไปเรื่อยๆเลยสิ่งใดเกิดสีนั้นระดับร่างกายเนี่ยเราดูให้เห็นตัวทุกข์ง่ายเพราะมันมีความทุกข์บิบคั้นอยู่นะดูอ น, นิจจังยากร่างกายเนี่ยเพราะว่าอายุมันยืนนะดูความเป็นอ น, นัตตาก็พอดูได้แต่จิตใจเนี่ยดูอ น, นิจจังง่ายเพราะเปลี่ยนเร็วมากเลยหาคนที่เปลี่ยนใจเร็วก็คือเราที่เองเปลี่ยนใจเร็วตลอดเวลาเดี๋ยวก็เอาโ น, น้นเดี๋ยวก็อยากนี้ม นั่งคิดจะไปเที่ยวทางนี้ดีดีวิเที่ยวทางนี้ดีวักแวกวกแว๊กไปเลยเนี่ยมาตูของจริงเนมะื่อสุดท้ายเราปัญญาเราจะเกิดจะเห็นเลยร่างกายนี้ไม่น่ารักไม่น่าพึงแหนเท่าไหร่หรอกร่างกายนี้ถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาจิตใจนี้นะก็ไม่เห็นจะดีวิเศษตรงไหนเลยความรู้สึกทุกชนิดนะอย่างความสุขเนี่ยดิ้นหาแทบตายแล้วอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายอะไรอะไรอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปหมดเลย พอเราเห็นตรงนี้แล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นใจมันจะเข้าสู่ความเป็นกลางนะมันจะเป็นกลางต่อร่างกายร่างกายจะแก่ไม่ใช่เราแ ก, แก่ตัวทุกแก่ร่างกายเจ็บไม่ใช่เราเจ็บตัวทุกมันเจ็บร่างกายจะตายตัวทุกมันจะตายใจมันจะเป็นกลางนะมันจะไม่เศร้าโศกไม่เสียดายไม่อะไรวอนเวลาความรู้สึกในใจเกิดขึ้นความสุขเกิดขึ้นเราก็ไม่หลงระเริงเรารู้ว่าอยู่ชั่วคราวความทุกข์เกิดขึ้นเราก็ไม่กังวลเราก็รู้ว่าอยู่ชั่วคราวอะไรๆก็ชั่วคราว ถ้าเราสามารถเห็นจกนกระทั่งจิตมันปิงขึ้นมาว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดดับเป็นธรรมดาถ้าเห็นตรงนี้ได้ว่าเรามีดวงตาเห็นธรรมนะได้พระโสดาบันแล้วใจเนี้จะเด็ดเดี่ยวมุ่งไปสู่ความพ้นทุกข์อย่างแท้จริงพ้นทุกข์อย่างแท้จริงจะเกิดเมื่อเรารู้แจ้งแทงตลอดลงไปในรูปนามกายใจนี้ว่าคือตัวทุกข์ไม่ใช่ทุกข์บ้างสุขบ้างอย่างที่เห็นทุกวันนี้ เมื่อไรเห็นว่ากายนี้คือตัวทุกข์จะหมดความยึดถือในกายเมื่อไรเห็นว่าจิตนี้คือตัวทุกข์เป็นตัวแปรปลวนทุกข์เพราะความไม่เที่ยงทุกข์เพราะการบังคับไม่ได้ถ้าเห็นอย่างนี้ได้นะมันจะหมดความยึดถือในจิตถ้าไม่ยึดถือจิตจะไม่ยึดถือสิ่งใดในโลกอีกลําพังไม่ยึดถือกายนะถ้ายังยึดถือจิตอยู่มีแต่ถ้าไม่ยึดถือจิตอันเดียวเนี่ยจะไม่ยึดถือสิ่งใดในโลกเลยร่างกายนี้ก็ไม่ยึดหรอกถ้าจิตนี่เป็นศูนย์กลางของทุกสิ่งทุกอย่างจิต เป็นใหญ่เป็นหัวหน้าเป็นประธานในธรรมะทั้งปวงยึดจิตดวงเดียวนะก็คือยึดทุกสิ่งทุกอย่างมันหมดเลยปล่อยวางจิตได้ดวงเดียวก็คือปล่อยวางขันท่าได้ทั้งหมดปล่อยวางขันท่าได้ก็ปล่อยโลกทั้งโลกได้ทั้งหมดนะต่อไปไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราไม่เดือดร้อนหรอกรนะ่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายคนที่เรารักจะตายนะหรือจะทิ้งเราไปใจมันไม่เดือดร้อนนะหรือบ้านเราอยู่ของเราดีๆนะข้างบ้านมันย้ายมามันมีหมา หลายตัวเลยเสียงดังชอบเห่าตอนดึกๆึกอย่างนีนะ้โอ้เราร์โมโหหมานอนไม่หลับเพราะเกลียดหมามากเลยเพอเริ่มลงมือนอนนะหัวถึงหมอยก็คิดถึงหมาอย่างเงี้ยนอนไม่หลับเครียดถ้าเราภาวนาไปเรื่ยนะใจเราสบายหมามันมีหน้าที่เหา่ามันก็เห่าของหมาถ้ามันไม่เหา่ามันก็ไม่ใช่หมานะเออใจเราสบายนะอยู่ของเราไปได้สบายฝึกตัวเองนะ ให้เห็นความจริงของรูปนามกายใจนี้นะเพื่อ 1, วันหนึ่งเมื่อเราไม่ยึดในรูปนามกายใจนี้แล้วเราจะไม่ทุกข์อีกต่อไปนะรู้ทุกข์แจมแจ้งเมื่อไหร่ะนะก็ละสมุทนะัยเมื่อนั้นละสมุทัยคือละความอยากอย่างเรารู้ความจริงแล้วว่ากายนี้คือตัวทุกข์เนี่ยความอยากที่จะให้กายเป็นสุขจะไม่เกิดความอยากให้กายพ้นทุกข์จะไม่เกิดถ้าเรารู้ความจริงว่าจิตนี้คือตัวทุกข์นะความอยากให้จิตพ้นทุกข์จะไม่เกิดความอยากให้จิตเป็นสุขจะไม่เกิด ว่ามันคือตัวทุกข์ความอยากมันทําไมเรื่องถ้ามันถึงขนาดนี้นะใจมันจะพ้นจากความปลูกแต่สิ้นเชิงเลยเป็นอิสราอย่างแท้จริงนะมีความสุขที่ไม่มีอะไรเหมือนหรอกงั้นรู้ทุกข์เมื่อไหร่ก็ล่าสมุทยัยคือล่าความอยากมันนั้นล่าสมุทัยได้เมื่ อ, อไหร่นะก็แจ้งนิโรธมนนนรออันนั้นนิโรธหรือนิพพานนะคือสภาวะที่สิ้นตัญหาอย่าไปเชื่อเขานะให้นิพพานเป็นโลกโลกหนึ่งนะนั่นเขาหลอกเด็กนั้นเป็นนิมิตทั้งหมดแหละพระพุทธเจ้าไม่เคยสอน บางคนเลยบอกว่าคนที่สอนนี่เก่ง ก, กว่าพระพุทธเจ้าอีกอไปโนอนหนึ่งมันเฟี้ยนหนักก็แล้วนั่นนะนี่พานไม่ใช่โลกโลกหนึ่งนิพพานคือสภาวะที่สิ้นปัญหาสิ้นความอยากสิ้นความปรุงแต่งสิ้นความยึดถือในาธาตุในขันสิ้นทุกนะแต่ถ้าเมื่อไรรู้ทุกเมื่อนั้นจะหมดความอยากเมื่อไรหมดความอยากเมื่อนั้นแหละสัมผัสนิพพานเมื่อไรสัมผัสพรนิพพานเมื่อนั้นแหละอริยมรรคเกิดขึ้นในขณะนั้น การรู้ทุกล้ะสมูทยัยแจ้งในนิโรธือ น, นิพานะการเกิดอริยมรรคเนี่ยเกิดขึ้นพร้อมๆกันจิตของอริยสัจสี่ข้อเนียทําเสร็จในขณะจิตเดียวกันนี่คือความอัศจรรย์นะอัศจรรย์จนนึกไม่ถึงเลยมันเป็นไปได้ยังไงหน้าที่ทั้งสี่ข้อนะทุกหน้าที่ต่อทุกคือรู้หน้าที่ต่อสมูทยัยคือล้ะหน้าที่ต่อนิโรธคือทําให้แจ้งหน้าที่ต่อมรรคคือทําให้เจริญทําหน้าที่เสร็จในขณะจิตเดียวกันนนะะ เพราะฉะหน้าที่เราตอนนี้นะก็คือหัดรู้ทุกไปเลยจกนกระทั่งจิตมันรู้ทุกอย่างแจ่มแจ้งเนะี่ยมันจะละสมุทยัยแจ้งนิโรธเกิดอริยมรรคในขณะนั้นเลยแล้วตั้งแต่นั้นเป็นต้นไปเนะียไม่ต้องรักษาจิตอีกแล้วจิตนั้นจะเข้าสู่สภาวะที่ไม่มีอะไรปรุงแต่งได้อีกละจะไม่ทุกข์อีกละฝึกนะตั้งออกตั้งใจเรียนไปถ้ายัางฟังเที่ยวเดียวไม่รู้เรื่องไปฟังซีดีหลวงพ่อไปไหนก็มีซีดีนะแจก ไม่ขายดอกแจกเนี่ยไม่กี่เดือนนะแจกเป็นล้านแล้วนะซีดีเนี่ยทีมทํางานอยู่เนี่ยตอนนี้ก็ตั้งโมนิที่แจกซีดีกันยกใหญ่แจกไปเป็นล้านแปบ๊บเดียวนะนักส่งหนังสือทำแจกนะเมื่อได้รับไปแล้วก็ไปฟังอย่าเอาไปบูชานะบางคนเอาไปบูชาแต่บางคนทุเลตกว่านั้นอีกเอาไปแปะหลังช้าง ซีดีหลวงพ่อนะ้าไม่เหมือนของคนอื่นนะซื้อไม่ต้องซื้อถ้าฟังแล้วใจจะเปลี่ยนกล้าบอกเนี่ยต้ารับรองนะใจจะเปลี่ยนบางคนเดือนสองเดือนนะก็เปลี่ยนแล้วละมันเหมือนมีชีวิตใหม่เหมือนเกิดใหม่ไปลองดูนะถ้าไม่มีซีดีฟังก็ไปดูยูทง u t u b e อะไรนะนะั่นแหละอ้าวเทปตอนนี้ก็พอสมควรนะอา้าส่งกันบ้าน นมันส ก, การครับหลวงพ่อครับปัจจุบันนี้ก็คือถือศีลห้านะครับแล้วก็ไหว้พระสวดมนต์สักสากสองสามนาทีแล้วก็เดินชมโกลมประมาณสิบถึงสิบห้านาทีเช้าเย็นนะส่วนในชีวิตประจวันก็ตามพุธโอครับผมนับพุโทโธ1หนึ่งถึงพุโทโธพันนะฮะแล้ว ก, กลับมานั่งนับนับหนึ่งใหม่โอเคนะตอนหลวงพ่อเด็กๆนับแค่ร้อยแต่นับร้อยแล้วเริ่มใหม่ นี่นับตั้งพันผมลองคำนวณดูนะมันมันได้จริงๆประมาณสัก24ชั่วโมงอะเราตามพุโทโธเนี่ยได้แค่ประมาณ2ชั่วโมงเองถูกได้ไม่เยอะหรอกเวลาส่วนใหญ่นะเราไปหลง ค, คนในชีวิตคนนะอายุสมมุติประมาณ 30,000 วัน75ปีนะเราไปนอนซะ25ปีนะเวลานอนนะหมดไป25ปี เวลาที่เหลือไปเรียนหนังสือไปทํางานไปทําอะไรอีกซต้องเกิดครึ่งเหลือไม่ถึงหนึ่งในสามหนึ่งในสามนี้เอาไว้หลงซะอีกนะงั้นแทบไม่มีเวลามีสติห อ, อกครับก็จะเรียนทำเพราะว่าตอนนี้มันเริ่มเดินปัญญาบ้างหรื อ, อยังจิตปกติเหมือนตอนนี้ไหมตอนนี้รู้สึกตื่นเต้นเออตอนนี้บังคับอยู่ดูออกไหมอ๋ออ๋ อ, อ, อ, อ, อ, อนะไม่เป็นธรรมชาติ จิตตอนนี้ถึงฐานไหมดูออกไหมไม่ไม่น่าถึงไม่ถึงนะไม่ถึงคือไม่ถึงอย่าไม่น่าถ้าจิตไม่เข้าฐานนไม่เดินวิปัสสนาจริงหรอกสมาธิไม่พอจิตมันกระจายจ้าออกข้างนอกถ้าจิตจ้าอยู่อย่างนี้นะมีแต่ความสุขมันจะมีความสุขแล้วมีความสุขอยู่เรื่อยไหมใช่ถ้ามีความสุขแล้วค้างมีแต่ความสุขนะไม่ได้แล้วนะจิตไม่เข้าบ้าน เราหายใจนะเอาความรู้สึกตัวจับไว้ที่ลมหายใจแล้วหายใจกลับเข้ามาเอาความรู้สึกตัวกลับเข้ามาเออเนี้ยไม่เหมือนกันดูออกไหมดูออกเออย๋ยวให้มันกระจายออกนอกนะกระจายออกข้างนอกมันจะมีแต่ความสุขมันไม่เดินปัญญาหรอกรู้สึกไหมมันทุกข์เดี่ยพอกลับเข้ามาดูกายดูใจเนทะ่านั้นมันคือตัวทุกข์เลยแต่อย่า<ม>ดันไว้แรงนะถ้าดันแรงนี้จะอึดอัดเกินไปเพียง<ม>แต่แค่ว่าไม่ให้ออก แต่ไม่ได้บังคับว่าต้องเข้าถ้าถ้าออกนอกก็ไม่เดินปัญญาสบายอย่างเดียวถ้าดึงเข้ามาแรงนะจะอึตอจะทุกข์อย่างเดียวเลยไม่เดินปัญญาเหมือนกันงั้นแค่รู้ทันว่ามันออกนะถ้าพาไเข้าบ้านนิดหน่อยเดี๋ยวไปรักษาไว้ออกอีก อ, ออกใหม่แค่นี้พอดีแล้วนะนะรู้สึกไหมไม่ได้อยู่ข้างนอกไม่ได้บังคับไว้ข้างใน ตัวนี้ต้องฝึกทุกวันนะใครรู้ทันจิตที่เคลื่อนออกถ้าจิตไปค้างอยู่ข้างนอกให้รู้ทันตอนนี้จิตหนีไปคิดทราบไหมทราบแล้วจิตหนีไปคิดรู้ทันใช้ได้ฝึกดีหลวงพ่อครับถ้าถ้าเราใช้พุทโธไปเรื่อยเงี้ยมันจะเป็นเหมือนสมถะไหมครับเป็นเป็นสมถะเราพุทโธใหม่พุทโธเรารู้ทันใจเช่นพุทโธแล้วใจมีความสุขรู้พุทโธแล้วร่มใจรู้พุทโธเราสงบรู้พุทโธเราฟุ้งซ่านรู้ ถ้าพุโทโธแบบนี้จะเดินปัญญาที่หลวงตามหาบัวบอกว่าท่านพุโทโธถ้าเดินต้นจนจบท่านพุโทโธแบบเดินปัญญานะไม่ได้พุโทโธให้ใจนิ่งถ้าพุโทโธแล้วก็คงนิ่งว่างสว่างอันนี้สมบัติใจตองขวบ้าขอบคุณน่านหลวงพ่อครับนมมาสกายครับหลวงพ่อครับวันนี้มาคนเดียวครับก็ เส้นทางนี้เป็นเส้นทางของเดินคนเดียวนะเขาเรียกเอกกายนามักเหมือ้นมาคนเดียวก็ถูกแล้วครับส่วนใหญ่ก็มามักจะได้ถามหลวงพ่อก็ไม่รู้ทำไมครับก็แบบถ้าได้ถามมาประมาณเจ็ดในสิบเจ็ดครั้งจากสิบครั้งนะครับแต่ว่าก็เจอหลวพ่อตั้งแต่ตอนมห้าตอนนี้ก็ผ่านไปห้าหกปีแล้วครับ ค่อยๆดูนะกายกับใจเนี่ยมันคนละอันกันดูออกหรือยังดูออกเป็นบางครั้งรู้สึกไหมว่าความรู้สึกสุขทุกข์ดีชั่วกับใจเนี่ยคนละนดูกายกับใจอะถนัดอะไรมากกว่ากันละมันสลับกันแล้วหลวพ่อถ้าสลับก็ใช้ได้นะแต่ตอนนี้จิตมันเออเรอเพราะว่ามันตื่นเต้นนะมันเลยไปบังคับไ้ผิดปกติไป หลวงพ่ออยากรู้ว่าจิตที่เป็นปกติของเราอะมันเป็นยังไงทําอย่าไปตื่นเต้นได้ไหม <laughs> ห้ามไม่ได้ <laughs> สังเจนไหมว่าตอนนี้เบากว่าเมื่อกี้รู้สึกไหมมันสว่างขึ้นแน่นค่อยรู้สึกเอานะสภาวะที่จิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้บกบาลไม่ใช่เรื่องยากอะไรหรอก รู้ทันใจที่ไหลไปคิดบ่อยๆนะดูออกไหมเวลาใจหนีไปคิดช่วงนี้ดูออกครับเออถ้าดูออกก็ทําเป็นแล้วละ่ะนะถ้าใจไหลไปแล้วรู้ใจไหลแล้วรู้นะใจก็จะตื่นขึ้นมาถ้าใจตื่นขึ้นมาแล้วก็ดูลงไปร่างกายกับใจเนี่ยคนละอันกันความรู้สึกกับจิตใจก็เป็นคนละอันกันนะค่อยๆดูไปพอแยกได้แล้วเราจะเห็นทั้งร่างกายทั้งจิตใจต่างคนต่างทํางาน ไม่ใช่ตัวเราสักอันเดียวเลยร่างกายก็ทำหน้าที่ของร่างกายความสุขทุกข์ก็ทำหน้าที่ของความสุขความทุกข์กิเลสก็ทำหน้าที่ของกิเลสจิตก็ทำหน้าที่ของจิตนีห่หัดดูไปเรื่อยนะสุดท้ายปัญญามันจะเกิดไม่มีตัวเราตรงไหนเลยไปทําอ า, อานิดนึงครับช่วงนี้ก็คือเป็นช่วงที่ผมกล้จะสอบราชการนะครับก็แข่งขันกันสูงนะครับเราก็มืนชีวิต มันก็ต้องทําไปตามนั้นใช่ไหมครับมีหน้าที่ไปแข่งกับเขาก็แข่งสิ <Okay. S 2> แต่แข่งอย่าไปคลุ้มใจถ้ากลุ้มใจแล้วแข่งไม่เก่ง mm hmm. เราไปได้ใจที่รู้ตื่นเบิกบานนะไปสอบ mm hmm. ไม่ต้องกลัวรอกสอบเดี๋ยวนี้เข้ารราชการไม่ยากเท mm hmm. ่าสมัยก่อนนะเดี๋ยวนี้มันมีอาชีพให้ทําเยอะแยะคนไม่ใช่ว่าทุกคนต้องไปทําราชการสมัยโบราณไม่ค่อยมีงานทํา แย่งกันรับราชการสู้กันตัวเดือดสู้ไปสู้มารู้สอบได้คะแนนสูงรี่วเลยนะตรวจตัวเองได้เลยโหเต็มทุกวิชาเลยตกเพราเส้นมันได้ไปก่อนเนี่ยนี่หมดยังยุคเด็กเส้นเนะี่ยมีไหมยังมีอีกเหรอโหหลายสิบปีแล้วไม่พัฒนาเลยเนาะ <c oughs> <c oughs> ไปสอบไปครับขอบคุณมากครับหลวงพ่อผมกลัวว่าคุณ หลวงพ่อมากนะฮะก็ผมติดตามอ่านหนังสือของหลวงพ่อมาเกือบบทนะฮะแล้วก็รู้สือก็มีความศิัย์รานะครับแล้วก็ผมจะถามเรื่องเกี่ยวกับกา ร, รบิดาธรรมนะครับตามที่ผมอ่านหนังสือขอท่านมาผมอ่านมาหลายเที่ยวแตคือคือการมีสติรู้ใจรู้กายผมก็รู้อยู่ทุกวันเนะีนะ่อ่า ผมไม่ทราบว่าคุณพูดที่ถูกตรงหรือเปล่าครับของโยมนะมันจะมีปัญหาตัวหนึ่งคือปัญญาเนี่ยมันแก่กล้ามากต้องรู้โง่โง่นะ <c oughs> รู้รู้โ ง, โงรร่รู้ซื่อซืรู้รู้อย่างที่เป็นๆของโยมเนี่ยรู้รู้แล้วมันรู้รู้นำไปอย่างมันบางทีมันก็มองไตรลกักมองอะไรนะ <c oughs> บางทีมันทีคิดไตรักก่อนนะเราใช้วิธีรู้ตรงๆไปเลยนะ อย่างขนาดนี้จิตอยู่ที่ไหนจิตวิ่งมานี่ดูออกไหมนะแล้วก็สลับวิ่งไปคิดดูออกไหมนะการปฏิบัติไม่มีอะไรมากหรอกหัดรู้สภาวะไปนะพอเราเห็นสภาวะแล้วสภาวะสอนธรรมะเรานะของโยมอยากคิดเยอะนะดูง่ายๆมันไม่ยากอะไร ร, รู้ทันแค่รู้ทันความรู้สึกของตัวเองไปเรื่อยๆสบายๆ แค่นั้นก็พอแล้วเพราะว่าความจริงมันต้องปรากฏนะว่าความรู้สึกทุกชนิดเกิดแล้ดับทั้งสิ้นเราไม่ถ้าเข้าไปแทรกแซงเราไม่สรุปองค์ความรู้เราพอนานะเราดูของจริงลงปัจจุบันเราไม่สรุปองค์ความรู้เลยนะต้องใจกล้าขนาดนั้นไม่กลัวโง่ตอนนี้ผมปฏิบัติมีมีสตริรู้กายรู้ใจแล้วติดผลตื่นขึ้นเรยย่างที่ ตื่นนะแต่ตื่นเป็นปกติแหละคือมันตื่นเป็นคลาลอ ผรรมะองท่านน่ยทุกวันเน่ยทุกทุกคืนอคือว่าถือเป็นงานหลักนเลยนะมันไม่ใช่งานงานเงินรองเพราะว่าผมก็ประสบเสียนแล้ว <c oughs> คือของยอมนะผมผ ม, ผมตั้งใจที่จะมาถามท่านคือว่าผมผมไม่เคยฟังเทศจากท่านมาสดๆฟังแต่เทปกับอ่านหนังสือได้เยอะมาก อ, อ่านทุกคืนอ่านแล้วอ่านอีกอ่านแล้วอีกจนฟังเทศจากท่านนี่ก็รู้สึกว่า ผมก็อ่านมาแล้วแต่ที่นี่แต่ที่ว่าในการที่ผมได้ประวัติแต่ที่นี่รู้การรู้ใจอยู่มีชีวิตยอยู่เป็นมิจฉาวันเนี่ยมันได้ถูกต้องยอมฝึกตรงนี้นะเราใช้ใจที่ธรรมดานะแล้วถ้าใจเราไหลไปใจเราเคลื่อนไปเนะี่ยรู้ทันนะใช้ใจสบายๆใจที่ผ่อนคลายหน่อยอย่าไปใช้ใจที่เข้มแข็งเกินไปนะ ใจสบายๆอย่างขณะเนี้ยใจหนีไปคิดแล้วทราบไหมเนี่ยใจไหลไปรู้สึกใจไหลไปแล้วรู้สึกนะเนี่ยใจอยากพูดรู้สึกไหมมันมีแรงดันขึ้นตรงนี้เลยเวลาอยากพูดมันดันขึ้นตรงลิ้นปีเนี่ยนะนะเวลาโลบโกรธหลงจะเกิดก็ดันขึ้นตรงนี้แหลนะเราไม่ห้ามมันแต่มันพุดขึ้นมาเรารู้พุดขึ้นมาเรารู้นะรู้ไปสบายๆ เนี่ยใช้เนี่ยโยมจะถนัดใ น, นการรวบเข้ามามันรวบมากไปมันควบคุมตัวเองมากไปนิดนึงให้ภาวนาเนี่ยให้ผ่อนคลายกว่านี้อีกนิดหน่อยมันจงใจเยอะเยอะไปแต่อาจจะจงใจเยอะเพราะว่ามันนั่งตรงนี้ก็ได้นะอยู่ข้างนอกอาจจะพอดีก็ได้เออขอถามสิว่าตอนนี้ผมมีความรู้สึก ต, ตัวไหมที่ใจตื่นอ ร, รู้สึกแรงไปแรงไปแรงไป รู้สุกแรงไปดีกว่าที่จะไม่รู้สึกเลยใช่นะดีกว่า <c oughs> <c oughs> ดีกว่าไม่รู้สึกนะแต่ว่ามันไม่ไม่จริงจังใช่มันจริงจังไปมันจริงจังไปใช่มันจริงจังไปไอ้การจริงจังไปนี่มันเป็นผลดีมันก็ต้องผลดีก็คือเราไม่ตกไปส่วบ่ายแนะ่ <c oughs> ไม่ไปาบ่ายแนะ่ไม่ไปาบานะ่แนะ่แต่ผลเสียคือไม่ค่อยยอมดูรูปนามจริงหรอก ใช่มันจะทื่อๆสังเกตไม่รูปนามแสดงไปแต่มันมีตัวหนึ่งนิ่งถ้ามันเหลือตัวที่ดูนิ่งๆอยู่นะตัวที่ดูมันนิ่งอ่ะตัวนี้ตึงไปงั้นตัวที่เป็นผู้รู้เองเราสังเกตให้ดีเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้คิดเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้คิดสังเกตตัวนี้บ่อยๆไอ้ตัวรู้ที่ตั้งไว้แรงไปเนี้จะค่อยๆอ่อนลงใครรู้ทันเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้คิดดูตรงนี้เรื่อยๆนะ ผมก็รู้ว่าตายและใจนี่เป่นใของเราอย่างนี้เห็นไหมใจมันอยากพูดมเมื่อกี้มันอยากพูดเห็นมแล้วใจมันก็กระโจนไปในโลกของความคิดในขณะนั้นเราขาดสติละนะเรามีกายลืมกายมีใจลืมใจเราไปอยู่ในโลกของสมมุติบัญญัติเพราะอะไรเพราะเราจริงจังเวลาคิดกคิดอย่างจริงจังมันก็ทาให้เราหลุดออกจากการรู้สภาวะ ห ม, มายความว่ามันตึงไปใช่ไหมใช่ความคิดมันมาปิดบังนะมันลากเราไปก็ต้องอลงมาหน่อยนึงให้รู้ทันก็ให้รู้ทันให้รู้ทันมัน๋ย่ไปห้ามมันนะ ใ, ให้แค่รู้ทั น, นกกรบกวนแยกกายแยกใจนี่นสังเกตไหมจิตใจขนาดนี้กะตะกี้ไม่เหมือนกันรู้สึกไหมตนตนตนสบายขึ้นใช่นี่แหละที่ว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะมันเป็นนี้รู้สึกไหมมันเบิกบานมันเบิกเบิกบานใช่เบิกาน เบิกบนที่ได้มาสนทนาอ่าไม่ใช่เพราะสนทนามาตั้งนานแล้วไม่เบิกบาน <laughs> แต่มันเบิกบานตรงที่รู้ทันว่ามันหลงไปจิดนะ่ะเนี่ยถ้าถ้าจิตตรงนี้นะถูกเป๊ะเลยแต่ห้ามรักษาห้ามรักษานะมั น, ม, นมันรักษาไม่ได้ครับไม่ได้อไม่ได้แต่ว่าแต่ว่าการตรึงเอาไว้อย่างนี้ยรักษาได้ตัวเนี้ยแข็งเกินไป แ็นโยมแยกสภาวะที่รู้ถูกต้องแล้วนะรู้เป็ดแล้วแต่ไป น, นี่รู้รูปนามแสดงใจหลักรู้ได้ใจที่สบายอย่างนั้นนะแล้วผมขอถามพ่อหน่อยว่าการแยกกายแยกใจการแยกกายแยกใจในของผมพอรู้แยกแยกได้มันแยกแต่ว่าพอแยกแล้วตัวรู้เนี่ยมันแข็งไป มันรู้สึกไหมตัวนี้มันก็เห็นนะรูปนามแสดงใจละเห็นหมดเลยไอ้ตัวนี้แข็งไปมัน ต, ตั้งจงใจมากไปแล้วทีนี้จะทำไงที่จะม่ให้มันเอา้าเมื่อกี้ไงที่พาดูตอนที่ไหลไปคิดเรารู้ทันนะ<ม>ผู้รู้ก็เกิด<ม>ใจที่เป็นผู้รู้นะ่ะมันไม่แข็งหรอกไหลไปคิดอีกแล้วใช่ไห ม, มตอนนี้แน่นเลย <laughs> บังคับมันมากไปมันแน่ น, นะต้องปรับนะตรงเนี้ยให้คนอื่นบ้าง เก่านำมาสักการของพ่อครับเมื่อประมาณสิบเดือนที่แล้วได้ไปมีโอกาสไปส่ ง, งการบ้านของพ่อครับหลวงพ่อบอกว่าพิ่งไปให้การดีแล้วคคดีกว่าเก่าเยอะแล้วดูออกปรป่าใจมันคลายเอาตัวออกแล้วละคือตอนตอนเนี้ยก็คือเหมือนว่ารู้ลมหายใจเข้าออกะครับแล้วเหมือนว่าใจหนีไปคิดก้็น<า>นรู้ว่าห น, นีไปคิดแต่ว่าพอหนีไปคิดปุ๊บ ก, ก็จะเหมือนว่าเกับมามแล้วมันหนุนมันพิงก พ, งพิงลงไป แล้วมันเหมือนลงไปในผวางแล้วเราก็พอรู้ปุ๊บเนี่ยเราก็ดีใจว่าแบบมันกลับมาละแล้วพอกลับมาปุ๊บก็ไปคิดใหม่อะค่ะเป็นอย่างนั้นเป็นปกติของคนที่ไม่เคยฝึกนะมันจะหลงหลงหลงลงหลงอย่างเดียวของคนที่เคยฝึกใหม่ๆเนี่ยมันจะหลงแล้วก็รู้แล้วก็เพ่งหลงรู้แล้วก็เพ่งนะต่อไปพอชํานาญขึ้นจะเหลือหลงแล้วรู้หลงแล้วรู้หลงแล้วรู้นะพอพอนาสุดขีดแล้วมันจะเหลือแต่รู้รู้รู้มันเป็นอย่างนั้นแหละ แล้วตอนในชีวิตประจำวันเนี่ยก็เหมือนว่าคือจะจ ะ, จะรู้สองอย่างหลกัหลกๆเหมือนว่าเราจะรู้ว่าคิดเหมือนเผือไปคิดกับรู้ว่ากายทําอะไรต่อมาอเงี้ยเท่านั้นพอแล้วละ่ะพอแล้วครับแล้วตอนนี้ผมเริ่มทําเป็นหรือยังใช่เห็ยนไหยสมาธิยังไม่พอแต่ยังฟุ้งเก่งอยู่ต้องทําอะไรเพิ่มเติมครับห า, าเครื่องอยู่ให้จิตอยู่นะเช่นท่องพุโทโธพุโทโธไม่มีอะไรทําก็พูดโธไปอนะไรอย่างเงี้ยแล้วค่อยรู้ทันเวลาจิตมันหนีไป จะได้มีแรงแรงไม่พอครับแล้วก็คือทําแบบเดิมนะทำอย่างอื่นนี้ถูกแล้วล่ะแต่แรงมันไม่มีครับขอบคุณครับแปลงธมชาตการค่ะหลวงพ่อก็ <G ül> ครั้งล่าสุดที่ส่งการบ้านกับหลวงพ่อก็ช่วงประมาณสิงหาคมปีที่แล้วค่ะตอนนั้นหลวงพ่อก็แนะว่าพอตอนนั้นช่วงนั้นเหมือนปัญญามันแรงไปหน่อยดูสภาวะอะไรเข้าไปค้นคว้าเยอะไปนิดนึงนะคะหลังจากนั้นหลวงพ่อก็แนะนําให้ทําสมาธิแล้วก็บริกรรมหนูก็ มาทำสมาธาิมากขึ้นส่วนบริกรรมก็หนูก็ใช้วิหารธรรมเป็นลมหายใจหลังจากนั้นมันก็ดีขึ้นค่ะมันก็เหลือแค่ว่าแบบดูตามดูเท่าที่มันเป็นนะคะไม่ได้ลงไปค้นคว้ามากขึ้นทีนี้เมื่อช่วงประมาณต้นเดือนมีนาคองม่ะหลวงพ่อพอดีกำลังคยโทรศัพท์อยู่กับผู้สนทนาสักพักหนึ่งจิตหนูมันก็อื้งไปแป๊ บ, บหนึ่งะคะ่ะหลวงพ่อเหมือนว่า ของเก่ามันกลับมาค่ะหลวงพ่อแล้วทีนี้มันก็เลยเข้ามารวมกับของใหม่ที่ทำมาในชาตินี้ค่ะทีนี้มันก็เลยเหมือนกับตอนนั้นหนูก็ง ง, งอยู่แป๊บหนึ่งว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับจิตหนูอะคะตอนนั้นนะคะแล้วทีนี้มันก็อยู่ยงมันก็เกิดความเข้าใจโลกมากขึ้นจากที่เคยเข้าใจอยู่แล้วแล้วก็รวมถึงเรื่องภาวนา ในส่วนที่เคยเข้าใจอยู่แล้วก็เข้าใจมากขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะอยู่ๆมันค่อนข้างก้าวกระโดดมากดูขณะนี้รู้สึกัหมมันยังมีความเป็นเราเหลืออยู่ไหมมีนะเพราะฉะนันก้าวกระโดดตัวนี้ยังไม่ถึงโสดาปฏิมร์นะใช้ได้ดีรู้ทราบว่ายังไม่ถึงค่ะแต่ว่าที่มันกลับมามันกลับมาใช่ไหมคะ อยู่คือหนูก็อึ้งๆแบบแป๊บหนึ่งแบบช่างมันนะเราแค่รู้อย่างที่เขาเป็นดูสบายๆไปแล้วเหมือนจิตดวงนี้ที่มันกลับมามันคือมันคือคล่องแคล่วสว่างแล้วก็ฉลาดด้วยค่ะแต่อย่าไปเชื่อมันนะอย่าไปเชื่อมันใช่เออล้วแค่ดูเห็นมันไม่ใช่ตัวเราไปไม่ต้องรักษาไม่ต้องสงวนไว้เห็นแต่มันทำงานได้เอง แล้วพอดีความรู้สึกที่มันกลับมาเนี่ยมันไม่ได้มีแค่เรื่องภาวนาเดียวคือมันมีเรื่องของความรู้สึกที่เรามีกับอดีตเนี่ยทิ้งมันไปให้หมดเลยอย่าไปหลงมันเราอยู่กับปัจจุบันแค่นี้ก็แย่แล้วพยายามล้าหละบไปบางคนระลึกได้นะเยนี่เป็นสามีนี่เป็นลูกนี่เป็นอะไรนะสุดท้ายยุ่งมากเลยสับสนไปหมดเลยแล้วพยายามอยู่กับปัจจุบันไป สมมติบัญญัติในอดีตไม่มีความหมายอะไรแค่รู้รู้แล้วก็วางซะหน้าที่ของเราคือยังมีอยู่เราต้องสู้กับกิเลสของเราต่อไปนะไม่ห่วงกังวลถึงอดีตแล้วก็ตอนนี้รู้สึกแล้วว่าทาเหลือทำให้พอหรือเปล่าหลวงพอูกใช่ไหมคะใช่จิตเทวนานี้ถึงฐานหรือเปล่าตอน ตอนฟังหลวงพ่อเทศถึงตอนที่ช่วงฟังหลวงพ่อเทศถึงแล้วตอนนี้ล่ะไม่ค่อยค่ะเออถูกถ้าอย่างนี้ใช้ได้แล้วล่ะไปทําต่อไปเหลือตรงไหนไหมคะหลวงเหลือตรงไหนไหมคะเหลือทําให้พอใช่ไหมคะทำไปอีกยังไม่พอเหลือเหลือเหลือขอทำให้พอใช่ไหมคะหลวงใช่ไปทําอีกจะทําให้พอแล้วแหละโยมเนี้ยชอบบังคับจิตมากไปนะมันจะอึดอัด มันจะแน่นนะมันจะไม่ใช่ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกเบาไม่เบาอ่อนโยนนุ่มนวลคล่องแคล่วว่องไวมันจะแน่นๆ่นอย่าไปรวบมันไห้อะแล้วมัสการหลวงพ่อครับคือผมชอบไปเหมือนไปบังคับจิตไว้แล้วคือแบบทั้งๆที่รู้แต่ก็มันมันก็ยังบังคับอยู่ที่ทำยังไงห้ามไม่ได้หรอกบังคับแล้วมันก็ทุกข์นะ มันจะอด อ, อาห้ามมันไม่ได้หรอกทุกไปก่อนเรารู้ว่าบังคับอยู่นะครับทาไมทำไมบังคับมันอยากดีถ้าเรารู้ทันต้นต่ อ, นตอเนี่ยมันมีความอยากดีอยู่ถ้ารู้ทันตัวนี้นะแจมนจะคลายออกเพราะอยากดีก็เลยบังคับตัวเองตั้งหน้าตั้งตาจะดูลูกเดียวอะไรอย่างนี้ทำใจสบายสบายใจเย็นๆได้ก็ได้ไม่ได้ก็ช่างมันนะแก่กล้า แล้วมันมีแบบสภาพที่มันเหมือนเป็นดูซ้อนดูป่ะครับถูกเหมือนแบบสร้างตัวตนขึ้นมาดูอีกทีหนึง่งเดี๋วอย่าไปสร้างนะสุดท้ายตัวที่มันเป็นคนดูก็ถูกดูอีกอย่าไปดูมันอย่างนั้นดูอย่างนั้นจะสับสนมันจะเกิดตัวรู้ซ้อนตัวรู้ไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดเลยนะงั้เราดูส่อหน้าต่อตาเราสบายๆเนี่ยรอบขึ้นมาก็รู้ รอบหายไปก็รู้รู้สบายบายแค่รู้ว่ามีคนหนึ่งดูอยู่อย่าไปจงใจดูตัวดูถ้าจงใจไปดูที่ตัวดูจะเกิดตัวดูซ้อนตัวดูไปเรื่อยๆไม่จบเลยเรียกว่าวิญญาณเป็นอันตน้นนะตัวนั้นเป็นสมะถะอมาานชนิดหนึง่งันอย่าไปสนใจที่ตัวดูนะแค่ว่าตัวดูมีอยู่แล้วก็เห็นรูปนามแสดงไตรลักษณ์แค่นี้พอละให้เป็นเหมือนรู้สึก แค่รู้สึกอย่าไปดูมันนะห้ามเด็ดขาดเลยถ้าดูตัวดูเนี่ยไปติดสมถะแบบนี้แก้ยากครับแา้วจแก้ได้ไั้ยครับแก้ได้สิไม่มีอะไรเที่ยงหรอก <S <S นี่ถ้าเรารู้หลักแล้วว่าตัวรู้นะก็แค่ว่ามีอยู่สักว่ามีอยู่อย่าไปจ้องใส่มันนะแค่แค่ว่ามันมีอยู่เมื่อเห็นรูปนามแยกออกไปแล้วก็เห็นรูปนามแสดงใจรักไป ถ้าจิตเกิดยินดีรู้ทันจิตเกิดยินร้ายต่อรูปนามต่อสภาวะทั้งหลายก็รู้ทันมันไปนะเอย่าไปดูตัวดูนะมรสการหลงพ่อครับปฏิบัติได้มาหนึ่งปีนะสูกแล้วก <c oughs> <c oughs> ็ทำได้มากขึ้นชใช่ไหมใช่อีกคำถามอยางสองเรื่องแหตตาครับ <c oughs> เออว่าไง <c oughs> ใช้วิธีนึกเอาเนื้อาก่อนนึกเอานะ นึกบริกรรมไปก็ได้เมตตาคุณังระหังเมตตานะนไปที่จริงแล้วความเมตตานะคือความรู้สึกเป็นมิตรต่อคนอื่นสัตว์อื่นต่อสิ่งแวดล้อมอะไรเงี้ยนะความรู้สึกเป็นมิตรไม่รู้สึกเป็นปฏิปัติแต่ว่าถ้ามันยังไม่รู้สึกเราก็บริกรรมเอา <c oughs> เวลาบริกรรมไปเรื่อยๆใจมีสมาธินะมันเย็นความเมตตามันก็เกิดทาถูกแล้วละทําเก่งเพราคุณทำ เป็นนันทสการ์ผมขันแยกเก่งนะขันมันแยกหมดเลยทางควา่างมาก็เปล่ามาปีหนึ่งแล้วครับตอนนี้จิตถึงเต้นมากครับอืก็วันวันก็นั่งสวดมนต์สมาธิบ้างนะครับผมเห็นร่างกายเดินเคลื่อนไหวเห็นจิตโกรธโลกรถถอยๆฮะรู้พอรู้แล้วว่ามันก็ทุกข์ตลอดเวลาจริงห้ามมันไม่ได้หรอกนะก็ไม่รู้จะทำยังต่อทําไม่ได้ทําไม่ได้รู้อย่างนี้ได้รู้ใจมันพอ ทำอะไรไม่ได้พุทธเจ้ายัางสอนอย่างนี้นะอดูพระภิกษุทั้งหลายไม่มีใครสั่งจิตให้บรรลุมรรคผลนิพพานได้หรอกจิตเป็นไปเองนะัเมือ่อศีลสมาธิปัญญามันแก่กล้าพอการที่เราฝึกอยู่ทุกวันเนี้ยมันทําให้ศีลสมาธิปัญญามันค่อยๆแก่กล้าขึ้นนะแล้วเขาเป็นไปเองต้องทำอะไรต่อทําอย่างนี้แหละควรจะดูจิตจะดูกายก็ไดูจิตนะอย่าใช้เจ้าความคิดออกครับ นรารกแต่เวล า, า, เ, วลาเวลาถ้าราคามันแรงอะไรเงี้ยดุ ก, ก่ายด้วยก็ได้นะคือคือว่าทําส่งกันบ้านหนแรกค่ะทํามาประมาณสองปีขึ่งสองปีครึ่งได้อย่างนี้ก็เก่งแล้วเธอถือเป็ น, นโทสะแรงมากบางทีจะเห็นเลยนิดนิดนดึงมันตะมาแล้วอะไรเงี้ยไม่ห้ามนะไม่ห้ามเลยนะราไม่ได้ไม่ได้ห้าจิตมีโทสะให้รู้ว่ามีโทสะ ค่ะแล้วก็คือว่านั่งรถเมย์อะค่ะแล้วมองออกไปเห็นรถเมย์เห็นตึกเห็นมันเหมือนกันหมดเลยนะมันเป็นรูปเหมือนกันหมดเลยอะมันเห็นรูปใช่ค่ะแล้วบางครั้งจิตมันไม่ยอมดูก็จิตมันบอกจะดูไปทำไมมันก็ดับเหมือนเหมือนกันหมดเลยนเออนัญนแหละมันหนปล้าหน้าไอดูัไปน้าเหมือนอกันหมดเลยนะเออนันหมันหนแล้วอานนี้ต้ไองดูก้ไขนอะดูไปไมัน็ับอนหนกัดลยะอนนหละมันเห็นูป่อยะ พิสู่ทั้งหลายเธอจงดูโลกอันวิจิตดุจราชรสรงของพระราชาแล้วสมาธิพอเป็นกรเป็นคนไม่ค่อยยันสมาธิน้อยสมาธิน้อยนะฟงเนี่ยอ๋ค่ะครับฟงเก่งนะ้ารุ้าฟงอย่างนี้ต้องมีเครื่องอยู่ให้จิตอยู่ได้เวลารู้ลมหายใจก็อย่าไปบังคับให้จิตนิ่งนะครับกราบนำวสการหลวงพ่อครับ ก็ฟังซีดีหลวงพ่อมาประมาณ6ปีก่อนครับแต่ว่าก็ได้แต่ฟังไม่ได้ทําจริงๆตอนบวชเมื่อไปเดือนธันวาครับก็อยู่วัดก็อาศัยฟังซีดีหลวงพ่อไปเรื่อ ย, อยตอนนั้นก็เริ่มทํากรรมฐานรูทันจิตได้ก็คือรู้ลมหายใจแล้วก็เดินจงกรมตอนทําตอนที่อยู่ที่วัดก็รู้สึกว่าจิตรวมได้บ่อยมีสมาธิบ่อยแต่พอสึกออกมาเนี่ยก็พยายามทํากรรมฐานโดยพุโทโธสวดมนต์แล้วก็รู้ลมหายใจสลับสลับกันรู้สึกว่า จิตไม่ค่อยรวมครับแล้วก็มีความฟุ้งซ่านเยอะแต่ว่าก็มีการรู้ทันดีขึ้นกว่าตอนก่อนบวชอยากทราบว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับเป็นฆราวาสนะจะให้มันเหมือนตอนบวชเราภาวนา ม, มันไม่เหมือนหรอกเพศมันไม่ไม่เอึ่งหนวยเท่าการเป็นนักบวชงั้นเราก็แค่รักษาตัวเรารักษาศีลทุกวันก็ฝึกหลวงพ่ฝึกตอนเป็นโยมนะฝึกเป็นโยมแต่ขยันดูไม่แพ้พราหรอก ใจร้อนไปนิดเดียวไปทำแปกทำถูกแล้วนะขอบคุณมากครับแต่ขณะนี้จิตไม่ถึงฐานนะดูออกไหมเออถ้าดูออกก็ไม่เป็นปัญหานักมณฑลค่ะหลวงพ่อมีมีสามคำถามอยากถามหลวงพ่อเจ้าคะ่ะก็คือคำถามแรกนี่คือเป็นเป็นสิ่งที่หนูติดอยู่แล้วก็ไม่สามารถทำต่อไปได้อะคะ่ะก็คือเมื่อกุมภา ที่ผ่านมาค่ะคือนั่งสมาธิแล้วแล้วสภาวะมันคือคือหนูดูเวทนานะคะแล้วก็อุเบกขาทีนี้พอมีอยู่วันนึงนั่งไปแล้วมันรู้สึกว่าตัวเองหมุนรอบตัวเองอะค่ะแต่ว่าตัวมันไม่ได้หมุนนะคะแต่มันหมายถึงว่ามันหมุนแล้วมันก็หมุนเร็วขึ้นอย่างเงี้ยค่ะแล้วทีนี้หนูก็ก็คิดว่าดูต่อไปอุเบกขาไปมันหมุนตรงไหนมันหมุนมัน หมุนรอบตัวเองอะค่ะเพื่อเพิ่มสติขึ้นค่ะรู้สึกตัวให้แรงขึ้นหน่อยพ่อหนูรู้สึกว่าพ่อหนูบอกว่าอุเบกขาปึ๊บมันยิ่งหมุนแรงขึ้นไปอีกอะคะออ่ะเ็นแล้วนั่นยิ่งไปทําสมาธิเอาสติเอาสติแล้วคือมันออกมาจางร่างกายด้วยอะคะ่ะคือเหมือนกับว่ามันมันจะอาเจียนตอนนั้นเลยแล้วมันก็เวียนหัวคือออกจากสมาธิคือมันสู้ไม่ได้จนแบบโอเคพอแล้วออกถอนสมาธิเลยแล้วก็แล้วก็ออกมามันก็ยังไม่ไม่หายอะคะ่ะ ทีนี้พอจะนั่งพอจะนั่งวันอื่นนะคะพอจะนั่งตามรูปแบบไปมันเริ่มแย้งนะคะมันเริ่มอาลองอนั่งสิ น, นั่งอย่างวันนั้นนะนั่งอย่างวันนั้นนะคะเอาเลยอย่าเป็นสะกดตัวเองอย่างนั้นไม่เอาถอยออกมาเฮ้ยลืมตาลืมตายิ้มหวานๆก่อนมันผิดแล้วผิดตั้ แ, แต่เริ่มมันไปถึงก็เก็บอย่างนี้นะไม่ถูกรู้สึกตัวไปสบายๆ ย, ยิ้มหวานๆ น่าเห็นเนี่ยร่างกายหายใจเห็นร่างกายยิ้มนะ่ะรู้สึกไปสบายสบายเอยี่ยไปเก็บเก็บเก็บเพื่เพระาะว่าอัดมากนะเครียดมากนะใจมันก็ดินด้นเลยเอาใหม่ทำใหม่เอออย่างเนี้ยไม่ดิ้นเท่าไหร่หรอกอ่ะมีอีกไห ม, ไมหมอนเนี่ยให้ยังไม่หมดนะทีนี้พอก็ไปปรึกษาที่คนหนึ่งเขาก็บอกว่ามันติดสมาธมากเกินไปใช่ใ<ห>สมาี่มันล้ําหน้า ให้ไปทําแบบแนวเคลื่อนไหวอะค่ะทีนี้หนูก็รู้สึกตลอดเวลาว่าทําแนวเคลื่อนไหวมันจะรู้ได้ยังไงว่ามันแนบไปหรือว่ามันพอดีแล้วเนี้ยค่ะก็เราดูว่าเราถนัดแนวไหนเราก็เอาแนวนั้นแหละยังคือหนูยังสามารถดูแบบเวทนาและอุเบกขาได้อยู่หรือเปล่าคะเวทนาจิตต้องทรงสมาธิน ะ, คะแค่เป็นคนสมาธิแล้วจิตตั้งมั่นออกมาเห็นว่ากายก็อยู่ส่วนหนึ่งเวทนานึงจิตนา น, นึงแยกกันเห็นขันแยกกันนะ แล้วก็ดูไม่ใช่เพื่อละเวทนาแต่ดูจอทัางเห็นว่าเวทนาก็าไม่ใช่เราดู อ, อย่างนั้นถือจะใช้ได้ทำไมเรามีปัญหาอะไรดูเวทนาก็าไม่เห็นเปนปัญหาอะไรคือคือเคยทปัญหามันอยู่ที่สมาธิมันล้าไปสติมันไม่ทันนะทำไมสมาธิมันล้าเพราะว่าไปน้อมจิตเข่าไปมากไปอย่าไปน้อมจิตคนปฏิบัติแล้วนั่งสมาธิแล้วผิดเนี่ยนะ เกิดจากว่าเริ่มต้นก็ บ, บังคับจิตแล้วหดหดหดเข้าไปเลยอย่าไปบังคับมันเดรู้สึกไปด้วยใจที่สบายรู้สึกด้วยใจที่ธรรมดาถ้าใจธรรมดาไม่เป็นหรอกมันต้องเปลี่ยนสายไปไปแนวข่อนไหวไหมคะไม่จำเป็นครับถนัดแนวไหนก็เอาแนวนั้น ค, คือปกตินักปฏิบัตินะ<ม>เขาเคยทาแบบไหนเขาก็จะสอนอย่างนั้นะ่ะ ไม่ว่าเราติดปัญหาอะไรนะถ้าเขาเคยเรียนเคลื่อนไหวมาเขาก็จะบอกเราให้เคลื่อนไหวเท่าไหระถ้าเรานิ่งไปเขาบอกให้ไปเคลื่อนไหวนะถ้าเราฟุ้งซ่านมากเขาบอกไปเคลื่อนไหวเนะก็มีคําตอบเดียวอีกอีกคําถามหนึ่งนะคะคือเมื่อก่อนนะคะจะรู้สึกว่าเวลาแผ่เมตตาแล้วมันแล้วมันแผ่ไปจริงๆร่ะคะแต่เดี๋ยวนี้รู้สึกว่า <laughs> รู้สึกว่ามันมันไม่มีเมตตาตรงไหนมันจะมีะมมเมตามเตาอะไรมีแต่โทสะ <laughs> จิตมันยังมีแต่โทส ะ, ะไม่มีเมตตาจะแผลละให้รู้ทันลงไปเมตตาตัวเองก่อนหลักของการเมตตานะแผ่เมตตาให้ตัวนี้แหละตัวนี้ลำบากแต่อย่าน้อมจิตให้ซึมหมดหรือยังหมดแล้วนะ ใ, ให้พอน่อยนะยาถาวาริวหาปุราภิริภูเรนติสาคารัง เอวเมวาิโตทิน so ังเปตานางอปปกปติอิช so ิตังปทิตังทุมหังคิปเมวาสมิจฉุตุสเพบูเรนโตสังกปาันโทปนรโสยถามณีโชติรโสยถาสพีติโยวิวัตชนตุสพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีที่คาโยกภวะ อาภิวาธนาสีลิสนิตจังุทธาปจจายิโนจตารธรมาวทันติอายุวันโนสุขขังพระลังพาวนานะจะได้มีความสุขกันโลกตี้มีแต่ทุกข์นะ